ขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเอือ้อเฟื้อขอขณะขอโอก า, าสคณะสง์นะครับกราบทรธรมรมก็พูดถึงในเรื่องของว่าด้วยว่าด้วยพุทธะและก็ว่าด้วยความใน ค, ความหมายคำ ว, ว่าพุทธะทั้งสัมมาสัมพุทธะปะเจกับพุทธะ เออสัมมาสัมพุธทธาเนี่ยพ่อตัศรุษรมทั้งปวงโดยชอบแล้วก็ด้วยพระองค์เองนะครับที่เรียกว่าสัมมาสัมพุธทธาเน Я ี่ยฉะนั้นถามว่ามรรคยานเนี่ยมีอะไรเป็นประทัดฐานตัวมรรคยานเออมรรคยานเนี่ยเป็นประทัดฐานของสัพพยุตยานนะครับและพัเยสสัพพยุตยานก็เป็นประทฐานของมรรคยานที่เรียกว่าสัมมาสัมโพธุทธีเพราะเหตุ น, นั้นน่ะเออตอนที่ท่านพระนนทีระ ท่านกล่าวว่าพระนามพระพุทธโธได้แก่พระพุทธเจ้าเนี่ยว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระสยามภูไม่มีอาจารย์ตต่สรู้เฉพาะซึ่งสัจจะก็คืออริยสัจธรรมทั้งสีทั้งหลายนั่นแหละด้วยพระองค์เองในธรรมทั้งหลายที่พระองค์ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนและทรงเป็นผู้ถึงซึ่งความเป็นพระสัพพัญญูก็คือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นและก็ถึงแล้วซึ่งวสีภาวะ เขาบอกว่าสีภาวะในพระธรรมทั้งหลายดังนี้ก็หมายความว่าพระพุธเจ้านั้นสามารถที่จะเข้าถึงสภาวะธรรมได้ทั้งสิน้นแต่ถ้าปัจเจกพุทธะเนี่ยก็เพราะตัดสู้ได้ตนเองทีเดียวเฉพาะตนไม่ได้ตัดสู้ตามใครเหมือนกันแต่ตัดสู้สัจจะสี่ด้วยสยามภูญาณแต่ว่าไม่สามารถประกาศให้บุคคลอื่นตัดสู้ตามได้เ น, นี่ย แต่สอนกุศลก็มาบทได้นะครับสอนให้คนไปสุคติโลกสวรรค์นี่ได้แต่สอนให้คนบรรลุตามเนี่ยไม่ได้นี่คือปัจเจกับพุท ธ, ธคำว่าสาวกเพราะเกิดในที่สุดแห่งการฟังสาวกานะนัแปลว่าผู้ฟังฟังอะไรฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาจะผ่านใครก็ได้นะครับผ่านภิกษุผ่านภิกษุณีผ่านอุบาสกหรือผ่านอุบาสิกาหรือผ่านเทวดาอะไรเงี้ยนะแต่ก็ต้องฟังถ้าไม่ฟังก็ตัดสรู้ไม่ได้ ในการตัดสรุเระยสัตธ์จะททั้งสี่เขาเรียกว่าส า, สาวกสัมโพธิที่นี้ในความปรารถนาเนี่ยมีสามระดับก็คือปัญญาธิกะศรัทธาธิกะแล้วก็วิริยธิกะในสมัยที่พระบรมศาสดาเนี่ยประทับอยู่ที่สาวถีนะครับครั้งนั้นแหละพระอนนท์ผู้มีอายุไปในที่รับปรีกเลนอยู่ ก็เกิดปริวิตตกในใจอย่างนี้บอกว่าเออความปรารถนาหมายถึงอภินิหารเนี่ยย่อมปรากฏแก่พระเจ้าทั้งหลายหาปรากฏแก่พระสาวกทั้งหลายไม่ว่างั้นแล้วแก่ พ, กพระปเจพระเจ้าทั้งหลายเหมือนอย่างนั้นหรือไม่ฉชไหนหนอว่างั้ น, ร น, นเราพึงจะเข้าไปเฝ้าทูลถามพระผู้มีพรภาคเจ้าว่างั้นเถอะท่านพระน น, นเมื่อปริวิตตกอย่างนั้นแล้วก็ออกจากที่เล่นแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามลำดับครั้งนั้นพระเจ้าก็ได้ตรัสปุพ ภ, ภาโยคาวจรสูตรเพืปุบปุพภาโยคาวจรสูตรแก่พระท่านพระ น, นนวดูก่อนนะนนอันทสองห้าเหล่านี้ก็คือบุคคลย่อมบรรลุอรรถผลในปัจจุบันชาติเนี่ยเพราะความเป็นผู้มีความเพียรในการก่อนๆนี่ยว่างั้นสรุปก็คือว่าว่าคนที่จะบรรลุได้ต้องมีปุพภาโยคะก็คือมีความเพียรปุพภาโยคะในการก่อนในอดีตว่างั้นเธอ มีการเพียรในการบําเพ็ญอบรมมาในการก่อนทีเดียวหากไม่บรระะลุอรรถผลในทิฏฐธรรมก่อนทีเดียวอย่างนั้นต่อมาจึงจะบรรลุอรรถผลในเวลาตายอย่างนั้นหากไม่บรรลุในอรรถผลในเวลาตายต่อมาในเทวในเทวบุตรเนี่ยพึงบรระะลุอัรถผลต่อมาพึงเป็นขี ป, ปาบุธ ค, คลเป็นต้นนีไ้ไปตามลําดับหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นพระประเจกบุญเจ้าคืออย่างนี้ประเด็นอยู่ต้องบอกว่า พระพุทธเจ้าแต่เรดูก่อ น, น, นอนนธรรมดาพระปเจยพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้พร้อมด้วยพิธิหานมีปุพพะประโยชน์คะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระปเจยพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายพึงประสงความปรารถนาและพิธิหานนั้นประเด็นอยู่ต้องบอกว่าเอ๊ะเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าท่านขับเน้นความเพียร น, นะครับปุพพะประโยชน์ค่ะคือการสั่งสมตัวนี้สําคัญมากว่าทําไมเราอย่าไปแปลกใจว่าทำไมพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ท่านฟังทำปุ๊บและท่านได้บรรลุเนี่ย ท่านนายกปัจจุบันเนี่ยจะมีไหมก็ต้องตอบทันทีเลยว่าไม่มีเออท้ายุกเกินพันปีแล้วนะท่านมหาเนะีเกินพันปีหลังตัดสรุแล้วเนี่ย อ, อุกติตัญยูกับวิปจิตันยูเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วฉะนั้นหลังพันปีมาเนี่ยก็เหลือสองประเภทนัยยะกับประทับปลรมะฉะนั้นกลุ่มนัยยะบุคคลเนี่ยต้องเพียนค่อนข้างเยอะเพราะงั้น ไอ้ที่จะฟังทำแล้วบรรลุทันทีทันใดเนี่ยอันนี้หมดหมดแล้วอย่าแปลกว่าเออในยุคปัจจุบันนี่แค่ฟังอย่างเดียวไม่พอเมื่อฟังแล้วก็ต้องฟังอีกฟังแล้วฟังอีกก็ต้องเอามาไปขัดเกลาเอาไปไข้ควรเอาไปประพฤติปฏิบัติกระทากันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวว่างั้นเถอะให้สังเกตดูไหมว่าถ้าผ่านพระเถเรซในสมัยเอาแค่ว่าพระรัตพระรัตปาละเงี้ยนะ เพนบเป็นเพียนเนี่ยบสองปีนะหรือท่านในสมัยจำได้ไหมที่ว่ามีพระเทลารูปหนึ่งที่ท่านสอนสาวสอนลูกศิษย์ของท่านเป็นพระรหัรเป็นเรือนหมื่นแล้วอยู่ต่อมาเนี่ยผลปรากฏว่าท่านก็มีมีลูกศิษย์อยู่ท่านหนึ่งเป็นพระรหารคิดในใจว่าเอออาจารย์เนี่ยมัวแต่อสอนว่างั้น ไม่ได้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงอะไรกัไม่ได้บรรลุคุณธรรมอะไรกับเขาเลยอยากกันนั้นเลยต้องการจะไปนุเคราะห์ต้องการไปนุเคราะห์อาจารย์นะว่างั้นเดอ๋ยก็เลยไปแต่ทําทีทําท่าไปขอสมัครเรียนเป็นศิษย์เนะี่ยเจอภาสิวะเถละที่ว่าอาจารย์นี่นะพอไปถึงเบสเสรจปุ๊บก็ไปขออาจารย์อาจารย์บอกคุณมาอะไรนะว่างั้นอขอขอมาสมัครเรียนเป็นลูกศิษย์หน่อยโอ้โหคุณนะบอกบอกผมไม่ว่างเลยว่างั้น อวันหนึ่งผมต้องสอนวันตั้งสิบแปดคณะนวนว่าไ ง, งเออถ้างั้นเอาเวลาท่านอาจารย์ก่อนจะเข้าห้องน้ําก็ได้ว่างง้นเธอขอเรียนก่อนที่ท่านอาจารย์จะเข้าห้องน้ำบอกโอโเวลานั้นก็มีออกจากห้องน้ําเอามีอีกว่า ง, งั้นก่อนจะฉันข้าวก่อนจะนอนอะไรต่างๆก่อนจะบินธบาตรทุกเวลาเนี่ยท่านท่านอาจารย์นหาเวลาว่างไม่ได้เลยก็ถามไล่ไปเวลาไหนก็ไม่สามารถที่จะสมัครเป็นลูกศิษย์ได้ แล้วก็ลูกศิษย์ก็เลยถามเพราะท่านจําไม่ได้ว่าสอนใครไปบ้างใช่ไหมก็เลยถามว่าท่านอาจารย์ว่างั้นโอ้ยถ้าอย่างนั้นก็คงไม่มีประโยชน์อะไรการที่จะไปลูกศิษย์ท่านอาจารย์แล้วว่างั้นนะก็เลยถามว่าท่านอาจารย์เนี่ยไม่มีเวลาเลยใช่ไหมบอกใช่ถามจริงๆว่าท่านอาจารย์มีเวลาตายไหมเนี่ยว่างั้บอกมีเวลาตายไหมว่างั้นพอถามอย่างนี้เบีดเสร็จท่านก็เหาะไปต่อหน้าต่อตาเลยเหาะไปต่อหน้าต่อตาเลย ท่านพระสีวะก็นึกในใจโอ้โหนี่ไม่ใช่มาเรียนกับเราแล้วเนี่ยนี่นี่มาเตือนเราแรงๆ แ, แล้วท่านคิดในใจด้วยอํานาจมานาทิถีของท่านนะครับท่านก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกอย่างเรามีปัญญามากเรียนจบพระไตรปิฎกฉลาดสอนคนลูกศิษย์ลู ก, กหาเป็นตั้งสองสมหมืน่นอย่างเรานี่ปฏิบัติไม่น่าจะเกินเจ็ดวันเลอ ก, กว่างั้ น, น, นเอางี้ดีกว่าวันนี้เราสอนเสร็จนี่แหละเราก็จะเก็บ ข้าวของอัฐบริขารแล้วเราก็จะเดินตามหลังลูกศิษย์ไปนี่แหละจะไม่มีใครรู้จักเราเหรอกแล้วก็เข้าถ้ำไม่กี่วันไม่ต้องไปบอกลาใครเดี๋ยวกลับมาบรรลุเสร็จล้ากลับมาสอนต่อเนี่ยวิธีคิดท่านนะคนเชื่อมั่นบัญญาตตัวเองอันนี้พอไปเบีเสร็จท่านก็เพียรพยายามปฏิบัติใหญ่ครับวันยังรุ่งวันยังรุ่งทาทาไปหนึ่งวันก็แล้วสองวันก็แล้วครบเจ็ดวัน เงียไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านก็นึกในใจเอ้ยเอาอีกเจวันเออไม่ได้อีกเอามันใกล้จะเข้าพรรษาแก็บอกเฮ้ยอยากกันนั้นเลยออกพรรษาเราก็จะได้อรหัสผลพร้อมกับโปรณาภาษาก็แล้วกันว่างั้นท่านก็อยู่ในถ้ำนั่นแหละหนึ่งพรรษาก็แล้วนะครับหนึ่งพรรษาก็แล้วทีนี้ก็ท่านก็เริ่มเอ๊ะชักไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยท่านก็เพียนต่อไปหนึ่งพรรษาสองพรรษาสามพรรษาไล่ไปตามลําดับ นะครับไ ล, ล, ล, ล, ล่ไปตามลำดับผลปรากฏว่ายี่สิบเก้าพันษาผ่านไปท่านสำรวมถึงขนาดว่าไม่มองขึ้นบนต้นไม้เลยฮะอาศัยว่ามีดอกไม้มันร่วงมาครั้งหนึ่งเนี่ยก็เห็นว่าอ๋อเนี่ย ถึงเวลาออกภาษาแล้วอย่างนี้เป็นต้นว่างั้นเดินเดินจงกรมมาจนเท้าแตกและท่านก็สมาทานไม่นอนด้วยนะเดินจงกรมจนเท้าแตกเลือดก็ไหลว่างั้นจนลุกจนเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยเด็กเด็กเลี้ยงวัวเนี่ยไปเอาเชือกมาเอาเอาเอาหนามแล้วก็เอาเครือ่อถาวัรมาให้ ก็ใช้น้ำเจาะเจาะไปเสร็จก็มัดนะฮมัดแม่เท้ามันแตกออกจากกันเนี่ยที่ฝ่าเท้าอ่ะเออพอพรรษาที่ยี่สิบเก้าเนี่ยท่านก็นั่งร้องไห้นั่งร้องไห้ว่าท่านเนี่ยคงไม่มีบุญแล้วว่างั้นสำคัญตนเองว่าโอ้โหเป็นคนมีปัญญามากเนี่ยก็ร้องไห้ดึกดึกนะครับท่านก็นั่งร้องไห้คนเดียวท่านพระมหาสิวะเทระเนี่ยร้องร้องไห้ ในระหว่างที่ท่านร้องไห้นะก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังขึ้นมาที่ดังกว่าท่านนะนะท่านก็เลยหยุดสักพักหนึ่งท่านก็เช็ดน้ําตาพอหยุดเบีเสร็จปุ๊บ ก, ก็ถามว่าเอนี่เสียงนี่ใครมาร้องไห้กท่านรอดตังงเออปรากฏตัวเดี๋ยวนี้นะบาน่างั้นผลปรากฏว่าเทวดามาร้องไห้ท่านก็เลยถามเทวดาบอกว่านี่นิยมมาร้องหอไห้ทําอะไรเทวดาก็บอกว่าเ อ, อดิฉันเนี่ยมาร้องไห้ อ่ะร้องทำไมยอมร้องทำไมว่างั้นเพื่อที่มันจะได้ซักมาร์กสองมาร์กก็เลยร้องดู <c oughs> แล้วว่าไงเนี่ยเพื่อที่มันร้องไห้แล้วมันจะได้ซักมาร์กสองมาร์กว่างั้นท่านนึกในใจโอ้โหเราเนียวหน้าไว้ไหนไว้ขนาดเทวดามยังมาเย่อเยอะว่านึกในใจเงี้ยนะนี่ย <c oughs> <c oughs> ท่านพี่ในภาษาที่สามสิบเนี่ยท่านบรรลุ พอบรรลุเสร็จนะบรรดาลูกศิษย์ตั้งสามหมื่นกว่าองค์ที่เป็นพระอรหันต์ก็คอยจ้องเพราะท่านมีที่ประจักขู่กันดังนั้นอยุากนั้นใช่ไหมครับฤทธิ์มีเนี่ยเนี่ยกลุ่มอย่างเนี้ยที่ต้องการพูดให้ฟังก็นีนกลุ่มในญาตครับในญาตจะต้องเพียนแบบนี้แหละเพียรพยายามสามสิบปีดีกว่าไปทรมานในนรกสามชั่วโมงอัตฉริยะสายท่าคิดแบบนี้ถ้าเราตกนรกสามชั่วโมงเนี่ยมันเลยพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะ เวลาของอายุในนรก3ชั่วโมงเนี่ยฉะนั้นท่านเหล่านี้จึงระดมความเพียรมากท่านกลัวกลัวนรกท่านบอกถ้าท่านตกนรกเนี่ยอย่าว่าแต่ท่านจะกลับมาแล้วบรรลุเลยเนะสัญญาเก่าก็ลืมกับเหมิดหมดได้พระไตรปิฎกอัตยาสายเดิมๆที่เคยสั่งสมมาก็แทบเปรี้ยงเลยเนยีและในในขณะเดียวกันเวลายังเลยไปตัวไม่ทันพระเจ้าองค์ต่อไปด้วยฉะนั้นท่านจึงยอมพยายามว่าเพียร30ปีดีกว่าไปหมกมุ่นในนรก3ชั่วโมง นี่เนี่ยทายาสายท่านเป็นวันนี้ว่างั้นพอท่านบรรลุเสร็จปุ๊บผลปรากฏว่าพวกพราอาหารทั้งหลายก็พากันกรูเข้ามาจะมาขอล้างเท้าให้อาจารย์อาจารย์บอกคุณอาจารย์ไม่ได้บอกว่าอาจารย์ไม่ได้อาบน้ำมาตั้งสา ม, ส, ามสิ ป, ปีว่างั้นอย่าเข้ามาเหมนว่างั้นก็กรูเข้ามา ต, ตอนนั้นน่ะเท้าส ก, กะพร้อมด้วยภรรยามีนางสุชาดาเป็นต้นเนี่ย เท้าส ก, ก่าก็ตะโกนบอกยมผู้หญิงมารพระก็ต้องหลีกทางให้นะาท่านมาอะไรรู้ไหมเท้าส ก, ก่ารพร้อมภรรยาเนี่ยมาอุปถากภ์ท่านก็บอกเท้าโกสีอัตมาเนี่ยปฏิอัตมาบอกว่าเทวดาก็บอกว่าเทวดาเที่เหม็นมนุษย์แม้อยู่ร้อยโยชน์เนี่ยล่ะอัตมาก็ไม่ได้อาบน้ํามาตั้ง30ปีว่าไม่ได้ส่งน้ํามาเนี่ยว่างั้นอย่าเข้ามาเออเทวดาเท้กกาสก่าบอกว่าโอ้โหพระเช่นท่านเนี่ยหายาก ใครๆก็อยากจะอุปถากเท่านั้นแหละ <c oughs> นี่เออถ้ามองอย่างนี้เห็นอะไรรู้ไหมครับจะเห็นว่านี่แหละสาวกการพุทธทานเนี่ยเวลาท่านบำเพ็ญบารมีเนี่ยสามสิบปีเนี่ยเป็นเรื่องปกติของท่านเนี่ยเออ เ, ออ เ, ออเวลาท่านตั้งความเพียร น, นะครับทีนี้ที่จะพูดตรงนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนอนนนทธรรมดาพระพุทธเจ้าพระปเจกับพะพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเออถ้าลองดูถึงพระพุทธเจ้าเนี่ย ด้วยอำนาจแห่งพุทธเจ้าเนะี่ยมีปัญญาทิกะพุทธเจ้าศรัท ธ, ธาธิกะพุทธเจ้าแล้วก็วิริยาธิกพระพุทธเจ้าจริงอยู่นะพราะพุทธเจ้าที่ปัญญาธิฏกเนะี่ยมีศรัท ธ, ธาอ่อนแต่มีปัญญากล้าแข็งเพราะมีปัญญากล้าแข็งจึงเรียกว่าปัญญาธิกะและต่อจากนั้นไปบารมีทั้งหลายย่อมถึงความบริบูรณ์ไม่นานเพราะอะไรเพราะอุปายโกศลเป็นสภาวะเป็นภาวะผ่องใสล ะ, ละเอียดอ่อนแต่ถ้าศรัทธาธิฏกเนะี่ยมีปัญญาปรานกลางแต่มีศรัท ธ, ธามาก เพราะมีศรัทธามากจึงเรียกว่าศรัทธาธิกะเพราะฉะนั้นบารมีทั้งหลายของผู้มีศรัทธาทิกะนั้นย่อมถึงซึ่งความบริบูรณ์ไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ช้าเกินไปอยู่ในระดับกลางถ้าวิริยาธิกะพุทธิย่ามีศรัทธาและปัญญานั้นน่ยไม่แข็งแรงก่อนทีเดียวทีแรกเนะี่ยแต่มีความเพียรมากเพราะมีความเพียรมากจึงเรียกว่าวิริยาธิกะเพราะฉะนั้นบารมีทั้งหลายของผู้เป็นวิริยาธิกะย่อมถึงซึ่งความบริบูรณ์โดยการเนิ่นเนิ่นานานทีเดียวว่างั้น พระพุทธเจ้าเนี่ยที่บรรลุด้วยอนุภาพแห่งปัญญาเนี่ยโพธิสมภารทั้งหลายย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งบารมีทั้งหลายเหล่านั้นน่ยความแตกต่างกันของการเวลาก็คือว่าพระพุทธเจ้าทั้งสาประเภทเนี่ยนะก็จัดเป็นสามประเภทก็คือที่ว่าอุคติตันยูโพธิสัตว์วิปจิตัญยูโพธิสัตว์แล้วก็นในยะโพธิสัตว์นะครับถ้าอุคติตันยูโพธิสัตว์เนี่ยเป็นผู้มีปัญญาแก่กล้า เมื่อได้ฟังพระสัตว์ทำเทศนาในสี่บาทเฉพาะพระพักแห่งพระพุทธเจ้าถ้าจิตน้อมไปในสาวกสาวกโพธิญาณนะสี่บาทคถาสี่บาทคถาก็นิดหน่อยเท่านั้นก็สําเร็จเป็นพระทหารพร้อมด้วยพิญญาหกปฏิสัมพิธาสี่ในการหนึ่งจบคถาที่สามเหมือนยังไม่ทันจบเ อ, อ่อสี่บาทคถาเนี่ยฟังถึงคาถาที่สาไม่ทันจบเนี่ยถ้าเป็นอุคติตันยูพระพุทธเจ้านี่นะ บาตรขี่สามยังไม่จบบาตรละแปดคำเนี่ยนะเนี่ยได้บรรลแล้วถ้าท่านจะน้อมเพ่อจะเป็นอภัหารเนี่ยนะเป็นสาวกเนี่ยมีความเร็วความรวดเร็วปัญญาของท่านเป็นอย่างนี้ว่า ง, งั้นสร้างบา ร, รมีมาเพื่อปัญญาที่กับพระพุทธเจ้ากลุ่มนี้เนี่ยนะวิปจิตตันยุผลิศาสเป็นผู้มีปัญญาปานกลางกลุ่มเนี้นะครับเมื่อได้ฟังพระสัตวรทำคาถาสี่บาทเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าถ้าจิตน้อมไปในสาวกพลิญาานะครับ จะสำเร็จเป็นพระรหารพร้อมด้วยพัญญาเนี่ยในการเมื่อเทศนาคถาบาต ท, ที่สี่ ย, ยังไม่ทันจบเพราะบาตที่สี่ยังไม่ทันจบปกติตันยูเนี่ยบาต ท, ที่สาไม่ทันจบได้รบรรลุเป็นพระทหารท่านน้องเป็นพระทหารนี่นะถ้าหาวิปจิตัญยูพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านน้องไปในบาต ท, ที่สี่ยังไม่ทันจบนี่กลุ่มนี้กลุ่มศรัทธาธิกะพระพุทธเจ้าครับถ้ากลุ่มวิญญาณเนายยะนะเนายยะพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีปัญญาน้อยกลุ่มเนี้นะ เมื่อได้ฟังพระสัท ธ, ธรรมเทศนาสี่บาทคาถาเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าถ้าจิตน้อมไปในสาวกโพธิยานก็จะสําเร็จเป็นพระทหารพร้อมได้พัญญาหกในการเมื่อตรัตเทศนาครบสี่บาทคาถาพอครบปุ๊บเนี่ยจะบรรลุเลยเพราะบริษัทชนิดนี้สร้างบา ร, รมีมาเพื่อเป็นวิริยาธิกะพระพุทธเจ้าเออจับประเด็นได้แล้วนะอย่างปัจจุบันก็ถ้าเรานับแบบย่อพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี่เขาเรียกปัญญาธิกะ นะปัญญาธิกะ ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอย่างนี้สียอสงขขยิ่งด้วยแสนมหากรับถ้าศรัทธาธิกะพระพุทธเจ้าก็แปดอสงขขยิ่งด้วยแสนมหากับถ้าวิริยาธิกะก็สิบหนะครับก็เพิ่มอย่างเงี้ยอสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนมหากับนี่พอจะมองเห็นนะครับงั้นสาวกหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เป็นไปใ น, ปนทํานองเดียวกันนี่แหละ ถ้าอย่างเราเราทั้งหลายที่เกิดมาในยุคนี้เราจะได้คำนวณตัวเองออกว่าเรานั้นอยู่ในกลุ่มในญาบุคคลกับปัทะประมะถ้าในญาบุคคลเนี่ยเพียงเต็มที่ชำระศีลศึกษาประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามลำดับได้กัลยาณมิตรที่ดีศึกษาคำสอนได้ถ่องแท้เนี่ยมีโอกาสบรรลุในปัจจุบันนีบนี้ได้แต่ต้องเพียรเต็มที่เลยนะ แต่ถ้าเป็นปั t ปรมา m เนี่ยเพี้ยนยังไงก็ไม่ได้บรรลุแต่เป็นวาสนาภากิยะในการที่จะเป็นปัจจัยต่อพบถัดไปได้นะครับเป็นอย่างนี้ประเด็นถ้าใครจะถามประเด็นปัญหาเมื่อเช้ามีมีค้างอยู่ประโยคหลังตอนหลังหรือเะเอเอประเด็นตรงเนี้ยได้ ตรงนี้ที่พระท่านถามมากรณีที่ว่าพระที่ไปท่านปฏิบัติแล้วท่านจุดไฟเผาตัวเองเนี่ยว่าน้นซึ่งก็มีนะจุดไ ฟ, ไฟเผาตัวเองเนี่ยมีหลายหลายกรณีนะกรณีประท้วงก็มีใช่ไหมล่ะหลายประเทศที่เป็นพระเนี่ยก็ก็มีแต่ในกรณีที่ท่านถวายเป็นพุทธบูชานี่คิดยากมากนะครับเพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆ แล้เราก็ไม่รู้เพราะผมก็ไม่ทราบว่าท่านมีข้อมูลในพระตรปิฎกและฉลาดในพระธรรมคำสอนแค่ไหนและอัจฉริยะใสท่านปรารถนาอะไรไว้ตรงนั้นก็ไม่อยากไปกระทบกระทั่งสภาพจิตใจของแต่ละบุคคลตรงนี้แต่ว่าถ้ามองว่านมองทางด้านของอ บ, บับเนี่ยเราก็ต้องดูในพระวินัยนะครับในพระวินัยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่พระบรมศ า, าสดาเทศนาอสุภักรรมฐานในใน ในพระวินัยปีดกที่พูดในเรื่องของปราชิกนั่นแหละมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือพระเจ้าแสดงอสุภกรรมฐานเสร็จแล้พระบรมศ า, ศาสดาก็หลีกเล้นสเดือนแล้วก็บอกว่าในระหว่างสมเดือนนี้นอกจากภิกษุที่นําอาหารไปถวายเท่านั้นแหละนอกนั้นก็อย่าให้ใครรบกวนแตถาคดว่างั้นแต่พอพระเหล่านั้นเรียนอสุภกรรมฐานแล้วก็ไปพิจารณาทราบอสุภกรรมฐานทั้งภายในและภายนอก ก็เห็นการจักายของตนเองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นเหล่าเนี้ยร่วนแต่เป็นของไม่งามเลยเกิดสีอิสเอียนขึ้นมาบางท่านก็ บ, บรุนะครับบรุเป็นพระยาก็มีเป็นบุตรชนก็มีเนี่ยเออต่อมาเกิดเบื่อนหน่ายในตนเองในเซรีล่เต็มที่อยากไม่อยากจะอยู่ในโลกใบนี้แล้วก็มีการวานว่างาั้นตอนนั้นศิขาบทยังไม่มีก็มีการวานให้คนให้คนมาฆ่าตัวเองโดยเฉพาะก็ไปเจอ กุ ม, มิชาทิถีคนนึงก็ไปบอกให้บอกให้ข่าตัดคอพระหน่อยว่างั้นพระนั่นแหละเป็นคนบอกเองนะว่างั้นเบื่อหน่ายเหลือเกินว่ากาเร่วราตกาเรวราเนี่ยเน่าเหม็นเนี่ยว่างั้นไม่มีสาระของความงามอยู่นั่นเลยว่างั้นเธอเออคนคนนี้ไปตัดขดศาาีรษะพระก็เกิดวิปฏิสารอยไปไปมาก็ไปได้ที่ปรึกษาผิดอีกที่ปรึกษาก็บอกว่าเออดีแล้วนี่ไงเป็นการเป็นการที่ทําให้ท่านได้สมสมความ ประสองว่างนั้นเจอก็นุ่นปาเข้าไปฆ่าไม่รูกี่ร้อยพระโดนตัดศีรษะไปจนพุทธเจ้าออกมาเนี่ยไปไปมาพุทธเจ้าก็เลยมาเทศนาในเรื่องการให้เจริญอาณาพันสติเป็นกรรมฐานที่ละเอียดประณีตสุ ข, ขุมและเป็นความสุขเป็นต้นแล้วพุทธเจ้าก็ทักฆ่าแล้วเป็นอบาบัติทุกอดนะครับถ้าฆ่าตัวเองเนี่ยเป็นอบัติเจ อ, อตรงนี้ตรงนี้เป็นกรชี้ว่าเ อ, อ๊ะอะไรพุทธเจ้าทําไมให้กรรมฐานไปแล้วทําไม นะตรงเนี้นะก็ดูให้ดีนะถ้าเราไปเปิดอ่านเจอตรงเนี้ยแล้วทําไมรู้อยู่ไหมว่าพระเหล่านี้จะต้องถึงการฆ่าตัวตายรู้รู้รทําไมสอนแต่ว่ากรรมนะเนี่ยพระเหล่านั้นเป็นนายพรานมาก่อนนี่กรรมเวลามันให้ผลมันให้วิปริตทางด้านจิตใจอย่างนี้แหละครับแต่อย่าลืมนะที่เป็นพระรยานะท่านมีสุคติเป็นไปนะแล้วท่านกับฤทธิ์นิพพานแล้วแล้วต่อมาท่านกะทํามรรคให้สูงขึ้นไปได้ไม่ต้องเป็นห่วงกลุ่มนะี้จนกลุ่มพุทธชนก็ว่ากันอีกทีนะ อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าประเด็นที่บอกว่าไอ้กรณีาการไอ้แต่ก็เป็นสิกขาบทแล้วฉะนั้นถ้าใครไปทําเพื่อจะบรรทุศระชีวิตตนเองเนี่ยตัดตัดเป็นอาบาัติเก็ไวนะ้เป็นอาบาัติก็ไว้แต่ถ้าถามว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นปานาติบาตไหมครับเออตรงนี้ต้องตอบให้ดีนะพระธรรมทูตนะไม่เป็นปานาติบาต ฆ่าตัวเองเนี่ยแต่เป็นพระพุทธเจ้าตัดเป็นอบัตินะครับแต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะงั้นเพราะการฆ่าตัวตายมันจะมีองค์มันอยู่ออการฆ่าสัตว์เนี่ยที่เป็นปานาติบาตเนี่ยสัตว์มีชีวิตเนี่ยนะแล้วก็ประราชิตโตรู้ว่าสัตว์อื่นเป็นชีวิตนะครับอัตถกถาขยายไว้อย่างนะั้นน่ยสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตคำนั้นแปลว่ารู้ว่าสัตว์อื่นเป็นชีวิตมีจิตคิดจะฆ่า ทำความเพียนเพื่อฆ่าสัตว์ตายลงเพราะความเพียนอันนี้หมายถึงการฆ่าคนอื่นไม่ใช่หมายถึงฆ่าตัวเองแต่ถ้าประเด็นบอกเออเนี่ยฆ่าตัวเองนี่เป็นบาปไหมก็ต้องบอกเป็นนะต้องบอกเป็นแต่มันไม่ครบองค์กรรมบทว่เพราะงั้นไม่ครบองค์กรรมบทเวลาจะตอบปัญหาตรงนี้ก็ตอบให้เคลียร์ให้ชัดเจนตรงนีออ้ประเด็นในกรณีที่ออพระแล้วก็ถ้าศึกษาไม่ดีศึกษาไม่ดีตรงเนี้ จะใส่ศรัทธาอย่างเดียวแต่ไม่พัฒนาไปสู่ปัญญาเนี่ย น, นี่ก็ต้องระวังปเดี๋ยวกลายเป็นความงมงายซึ่งก็เราเห็นลัทธิาศาสนาอื่นเนี่ยเราก็เห็นกันเยอะหมดกรณีที่ตายเพื่อาศาสตร์ดามตนเองแต่ไปประทุษร้ายไปเบียดเบียนคนอื่นแต่พุทธศาสนาจะไม่มีนะครับแบบนี้เออนี่นี น, น, นี่ก็มองมองให้มองให้ชัดคือตรงนี้ประเด็นตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้ก็คือย้อนไปดูเกี่ยวในเรื่องของ ปัญหาที่พระท่านถามมาเกี่ยวในบเรื่องปัญหาในชั้นทานกับศีลนะี่ยถ้าถามว่าปัญหาในชั้นทานกับศีลเนี่ยต่างกันไหมบวกต่างอันนี้ส ง, งต่างกันไหมต่างนะครับผลทานกุศลเนี่ยศีลกุศลเนี่ยต่างกันมากถ้านในชั้นของทานกุศลถ้าการให้ทานถ้าไม่มีศีลกำกับก็มีผลน้อยมีอันนี้สงน้อยฉะนั้นถ้าพูดถึงระหว่างผลระหว่างทานกับศีลเนี่ยผลของศีลก็ย่อมมากกว่าทานนะครับ มากกว่าทานทีนี้ประเด็นมันอยู่ว่าในกรณีที่เราไปถวายทานเด็กพระภิกษุเนี่ยเป็นทานกุศลอย่างเดียวใช่ไหมก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ละบุคคลบางคนไม่ได้เป็นแค่ทานกุศลอย่างเดียวเขาพัฒนาไปสู่ศีลกุศลด้วยพัฒนาไปสู่ภาวนากุศลด้วยยกตัวอย่างนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาเขาไปถวายทานเนี่ยเขาได้ทั้งเจตนาทานคือจิตที่คิดจะให้ได้ทั้งอรารมพะทานในวัตถุเขาไม่โลภ ได้ทั้งอัโทสาทานคือเขาตัดมัชชริยะได้ได้ทั้งปัญญาในการที่เป็นปุเรจาริกในการพิจารณากรรมและผลของกรรมและในขณะเดียวกันเขาทาหน้าที่ในความเป็นอุบาสกบาสิกาในกรณีที่อุปถากไงอุปถากดูแลพระภิกษุสั ม, มนเนนเป็นต้นเป็นจารีดศีลของเขาด้วยเป็นจารีดศีลของเขาด้วยแล้วก็พัฒนาสู่การไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พืชผดในกรรมอั น, นิทานกุศลของอุบาสกบาสิกาที่มีความเข้าใจอย่างดีแล้วจึงมีศีลกํากับ ถ้าทานที่มีศีลกำกับนี่มีผลมากมีอา น, นิสงส์งมากครับอย่างนี้ก็ก็แยกประเด็นตอบอย่างนั้นแหละแต่แต่ถ้าทานลวน้ลวนเลยกับการที่ไปช่วยคนให้ออกจากให้ออกจากไอ้ความติดติดยาเสพติ ด, ต, ดติดแรงต่างเนี่ยอันนี้ก็ก็แยกประเด็น เ, ออเมื่อเดินลงไปก็คุยกับโยมจมหนงโยมก็เป็นผู้พิพากษาสมทบทำไปทา ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชนมาเนี่ยแปปีแล้วที่เป็นผู้พิพากษามานี่ยยมที่ที่มาตั้งกลองเนี่ยเนี่ยก็บอกว่าเอ่อปัญหาปัญหาเรื่องยาเสพติดก็ดีปัญหาเรื่อง เ, ออเด็กวัยรุ่นทั้งหลายเหล่านี้ที่มีปัญหามากมายตอนเนี้ยถามว่าทั้งโลกแก้ปัญหากันไม่ไหวครับแก้ไม่ไหวแล้ว ที่ไม่ไหวก็เพราะว่าเราแก้กันที่ปลายเหตุดังที่ได้บอกไว้นี่แหละปลายเหตุก็คือเรามาแก้กันที่ปลายเหตุพอแก้กันที่ปลายเหตุเบีเสร็จปุ๊บมันก็ไม่ได้เข้าไปสู่ต้นตอที่แท้จริงว่าเออเราจะแนะนําอย่างไรและสิ่งที่เขาทําไปมันมีโทษอย่างไรกับตัวเขาแล้วกระแสชีวิตของเขาจะวิบัติอย่างไงเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเป็นปัญหารอการแก้ไขสําหรับพระธรรมทุน ต, นต้องไปชี้แจงกันรว่างั้นเถอะ ถ้าไปชี้แจงเพียงแค่เอาภาพไปร่วมโครงการอบรมครัง้งชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ได้ผลนะผมเคยทามาเบียเสร็จก็จบไปทำมาตั้งแต่ยี่สบสาปีที่แล้วแล้วไม่ได้ผลแล้วผมก็มองเห็นตั้งแต่20สกว่าปีที่แล้วนั่นและ ว, ว่าเนี่ยปัญหากรณีเด็กไอ้คนที่ติดยาก็ดีคนที่ออกจากเรือนจำก็ดีเนี่ย แล้วต่อมาก็เอาพระไปร่วมโครงการก็มีงบประมาณไปฝ่ายบ้านเมืองก็มาร่วมการอบรมเดี๋ยวสามวันบ้างห้าวันบ้างแล้วก็ปล่อยกลับไปก็กลับไปเป็นอย่างเดิม อ, อันนี้ไม่ได้รับการแก้ไขอะไรหรอกเป็นเป็นโครงการละลายงบประมาณเล่นนะครับเป็นโครงการล ะ, ล, ะลายงบประมาณเล่นแค่นะั้นมีอะไรหรอกมันเป็นอย่างนั้นแหละเออที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ไปไปตําหนิก็ถ้าเรามองนี้เจาะให้เห็นชัดเลยก็คือว่าเ อ, อเ อ, อ เดี๋ยวนี้โครงการพวกนี้ทางมหาไทยก็ดึงต้องการมามีอำนาจมีบทบาทก็คือจริงๆก็ต้องการได้งบประมาณนะครับว่าจัดโครงการพอได้งบประมาณมาก็มีอำนาจเพรางั้นเธอก็เอาเงินภาษีออกมามาลุยกันแล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหาเหมือนปัญหาภาคใต้อะครับถ้าใครไปเจาะประเด็นกันชัดชัดเราก็เห็นชัดว่าปัญหาอยู่ที่งบประมาณนะที่รุนแรงทุกวันเนี่ยงบประมาณนี่ถ้าพระน่ยพูดได้แต่โยมเขาไม่กล้าพูดความจริงเนี่ยนี่ถ้าพระเรารู้ประเด็นว่าจริงๆอยู่ที่งบประมาณ นะครับก็คือว่าถ้าในสํานวนงบนภาคใต้เขา อ, อุบมาว่าภาคใต้ก็เหมือนกับสุนัขที่ตายแล้วเพราะมันกําลังกิ่นมันโชยก็แล้งกา ม, มันก็เข้าไปทึ้งกินกั น, นถ้าถ้าไอตัวเนื้อมันหมดเมื่อไหร่ก็เลยได้ซากนี่แค่นี้นะครับอันนี้เรามองในฐานะพระเราก็มองมองให้ถูกเพราะจริงๆแล้วประเด็นจริงๆปัญหาภาคใต้ก็คือ บางทีนี่แหละไอ้ ก, กรณีที่ว่าเอาไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณเกี่ยวข้องคนมีกิเลสขึ้นมาแล้วก็อย่นี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่นั้นแต่พระเราเนี่ยเราก็จะมองเห็นแต่เราก็ไม่มีไม่ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีอำนาจในการที่จะไปจัดจีแจงอะไรแต่เราก็มองมองดูอยู่เนี่ยงั้นก็ไม่ว่ากันเนี่ยสภาพสังคมแต่เขาก็ประคองกันไปนะประคองกันไปแต่คนที่ต้องการแก้จริงๆก็มีอยู่นะ แต่ว่ายังว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาด้วยคนคนเดียวอยู่ว่าเอาต่อไปก็จะพูดถึงในลำดับของขอ ง, ของบา ร, รมีนะครับว่าเออในลำดับของบา ร, รมีทุกๆประการเนี่ยทุกข้อเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงทีนี้ในลำดับบา ร, รมีเนี่ยที่ที่เรามามาศึกษากันเนี่ยจะถามว่า ทานบา ร, รมีศีลเนคขม้าปัญญาวิริยคันติสจักรทิฏฐานเมตตาแล้วเบียกขาเนี่ยถ้าถามบอกว่าเออทานบา ร, รมีต้องมีศีลกำกับจึงจะมีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากนะครับดังที่ได้เคยกล่าวไว้แล้วว่าถ้าลองให้ทานอย่างเดียวนะครับแต่เป็นคนทุ่ศีลผลของทานมีไหมมีถ้าอุปมาเหมือนฝุ่นนะครับเวลาเราเอาฝุ่นมาแล้วก็โยนเนี่ยโยนขึ้นไปเนี่ยไปทวนลมเนี่ยพัดไปหายกับหมดเลย มันก็มีผลอยู่นะไม่ใช่ไม่มีผลทานของคนทุศีลเนี่ยแต่เวลาให้ผลแล้วมันไปให้ในสัตอภาพในความเป็นผู้ทุศีเนเช่นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็กลำลํารวยเงี้ยนะไปเกิดเป็นพระราชาอยู่ในภพของพญา น, นาคเนี่ยฉะนั้นถ้าไม่มีศีลกากับแล้วมันก็จะจะเป็นแบบนี้แหละฉะนั้นทานที่จะมีผลมากมีอนิสงมากก็คือว่าต้องมีศีลกากับทานกุศลเนี่ยทานกุศลต้องมีศีลกากับ ทีนี้ถ้าศีลกุศลละ่ะถ้าจะให้มีผลมากมีอนิสงส์มากต้องมีเนกขมมะเป็นตัวกํากับเอเราก็จะเห็นชัดนะว่าถ้าการรักษาศีลถ้าอยู่ครองเรือนนะครับกับการรักหรือการรักษาศีลยังหมกมุ่นในกามกับการรักษาศีลออกจากกามจิตมันปลอดโปร่งต่างกันไหมฉะนั้นอ น, นิสงส์จึงต่างกันนะครับยังต่างกัน แต่ถ้าหากบาเพ็ญเนคข ม, มะบา ร, รมีในเมฆข ม, มะบา ร, รมีก็ต้องมีปัญญาเป็นตัวกํากับเป็นตัวเชื่อมทําไมถึงเป็นอย่างนั้นถ้าบําเพ็ญเนคข ม, มะขาดปัญญาเป็นตัวนำแล้วก็กลายเป็นนักบวชภายนอกาศาสนาของพระชินเจ้าใช่ไหมฉะนั้นนักบวชภายนอกาศาสนาของพระชินเจ้าก็กลายเป็นจุดบอดอีกไม่สามารถเดินเข้าสู่มชิมาปฏิปทาได้เพราะไม่มีปัญญากํากับ ทีนี้ถ้ามีปัญญาอย่างเดียวเป็นตัวกำกับไม่ปัญญาบารมีก็ต้องมีวิริยะบารมีเป็นตัวกำกับเห็นไหมคนมีปัญญาแต่เกียจค้านเนี่ยก็ไม่ประสบความสําเร็จฉะนั้นก็จะต้องมีตัววิริยะนั่นแหละเป็นตัวกำกับวิริยะบารมีมีอะไรเป็นตัวกำกับถ้าเพียนพยายามแต่เป็นคนไม่มีความอดทนก็ไม่ประสบความสําเร็จอีกก็เลยมีขันติบารมีนั่นแหละเป็นตัวกำกับไว้มีขันติบารมี แต่ว่าไม่มีศัจจานะถ้าไม่มีสัจจาธิฐานไแ ล, ล้วนี่จบอีกแล้วไอ้ตัวสัจจานิฐานนะ่ะก็คื อ, คอว่าอดทนแล้วเพื่อให้ถึงฝั่งได้จริงก็ไม่ถอนอย่างนี้เป็นต้นศัจจา ร, รมีก็มีอธิฐานนะคือความตั้งมั่นนั่นแหละอธิฐานนะอธิฐานธรรมอธิฐานบา ร, รมีเนี่ยก็มีเมตานั่นแหละเป็ น, เ ป, นเป็นตัวกำกับไว้เมตาก็เลยมีอุเบกขาเห็นไหม ถ้าไม่มีเวขาเป็นตัวกํากับก็ไม่เป็นไปกับการที่จะวางใจให้เป็นโอวาร้นี้ควรจะเมตตาวาระนี้ควรจะเจริญอุเบกขาอย่างนี้เป็นต้นพอจะมองเห็นนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าในเรื่องของถ้ามองถึงชั้นของขันติบารมีเนี่ยขันติบารมีเนี่ยเป็นตัวอาวุธไม่เบียดเบียนคนดีเพราะอะไรเพราะว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ แล้วตัวคันติบารมีเนี่ยเป็นตัวขจัดความโกรธนะครับคนที่มันเหมือนอย่างเงี้ย ว, ว่าเนี่ยฉันอดทนได้นะแต่ว่าดีๆฉันโกรธอย่างเงี้ยกรณีอย่างนี้ไม่เรียกว่ามีคันติเพราะตัวคันตินั้นต้องเป็นสภาพของอาโทสะคือความไม่โกรธสภาพจิตใจต้องจิตใจที่เป็นไปกับความเยือกเย็นด้วยเป็นปฏิปักษ์ต่อคุณธรรมไม่มีส่วนเหลือเป็นเครื่องประดับของผู้สามารถครอบงำผู้อื่นได้ด้วยเป็นพระสัมปทาของ ของสมณะของนักบวชเป็นกําลังนี่นแหละเป็นสายน้ํากําจัดไฟคือความโกรธในะตัวขันติเนี่ยนะครับและเป็นเครื่องชี้ถึงความเกิดแห่งกิติศัพท์อันดีงามด้วยแล้วก็ท่านบอกว่าขันติเนี่เป็นมนมนในที่นั้นก็คือเป็นยาวิเศษระงับพิษคําพูดของคนชั่วได้ยฉะนั้นถ้าคนมีขันติแล้วเนี่ยใครจะมาพูดชั่วใครมาประทุษร้าอย่างไรเนี่ยจิตก็ไม่พกพ่านใช่ไหมหน้าก็ไม่นิว่วคิ้วก็ไม่ขมวด ก็ไม่เปล่งวาจาหรือ ก, กริยาท่าทางที่ชั่วร้ายออกมาเป็นปกติของผู้มีปัญญายอดเยี่ยมของผู้ตั้งอยู่ในสังวรสังวรในที่นั้นก็เรียกขันติสังวร น, นะครับก็คือระ ง, งับได้ยอมรับได้ด้วยปัญญานี่แหละเป็นสาครนดำรงอยู่ลึกคำว่าสาครนดำรงอยู่ลึกเพราะอะไรเป็นฝั่งของหมหาสาครที่โทสะไม่สามารถจะดำดิ่งไปเจอได้ว่างนนคนที่มีขันติเนี่ยโทสะไม่ได้กินคือโทสะ เข้าไม่ถึงเพราะเพราะลึกมากเป็นบานประตูปิดอบายภูมิอ ต, ตอนนี้ถ้าใครอยากจะปิดอบายภูมิก็บอกให้จเจริญคันติถ้าไม่มีคันติเนี่ยแปลว่าบานประตูที่จะลงสู่นรกสู่ความเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตและสุรกายนี่เปิดอ้าทุกบานเลยว่างั้นแต่ถ้ามีคันติแปลว่ามีบานประตูปิดแล้วว่างั้นปิดแล้วน่าเชื่นใจไหมท่านอาจารย์ว่า คันติน่าจเจริญไหมจเจริญแล้วเป็นบานประตูปิดอใบยภูมิตอนนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือว่าอโทสะเนี่ยเป็นสภาวะธรรมของคันติคือความไม่โกรธฉะนั้นแล้วเป็นบันไดไตร ย, ต ย, ตยขึ้นไปสู่เทวโลกอะครับบันไดเนี่ยขึ้นสู่เทวโลกและพรหมโลกด้วยเป็นภูมิที่อยู่ของคุณธรรมทั้งปวงนะีถ้าบอกว่า อะไรเป็นห้องประชุมของคุณธรรมทั้งหมดพระธรรมทูตต้องตอบทันทีเลยนะว่าคันติคันตินี่เป็นห้องประชุมของคุณธรรมทั้งหมดคุณธรรมระดับทานกุศลคุณธรรมระดับศีลกุศลคุณธรรมระดับภาวนาอัปจายนะวยาวจจะปฏิทานะปตานโมทนาธรรมะสวนาธรมารมเทสนาตลอดถึงคุณธรรมคือปัญญาอะไรคือห้องประชุมคันติว่างั้น ฉะนั้นขันติเนี่ยเป็นห้องประชุมของคุณธรรมทั้งบวงว่งงาง้นและเป็นความบริสุทธิ์แห่งกายวาจาใจอย่างสูงสุดถ้าใครมีขันตินะกายก็บริสุทธิ์สูงสุดนะกายก็สะอาดอย่างสูงสุดวจีกรรมทางวาจาก็สะอาดอย่างสูงสุดแม้จิตใจก็สะอาดอย่างสูงสุดอีกอย่างหนึ่งนะวิธีจะเพิ่มขันติสัมปทานนะครับท่านบอกว่า ให้พิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เดือดร้อนอยู่ในโลกนี้เพราะไม่มีคันติสมบัติเอาสิเขาบอกงั้นเนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่พากันเดือดร้อนวุ่นวายพุกพ่านเต็มไปหมดในในในโลกใบนี้ยเนี่ยพาะไม่มีคันติสมบัติเพราะไม่ถึงพร้อมด้วยขันตินั่นแหละถึงเดือดร้อนกันร้อนจริงโวยหนาวจริงโวยเดือดร้อนทนไม่ได้จะจัดการมันร้องไห้เนี่ยอาการที่ออกพุกพ่านกันอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไร พราะไม่มีคันติสมบัติว่าไงและเดือดร้อนในโลกหน้าเพราะประกอบด้วยเหตุทาให้เดือดร้อนเช่นจะต้องเดือดร้อนในการข้างหน้าอีกนะหนึ่งไม่มีคันติสมบัติในปัจจุบันนี้แหละก็เดือดร้อนในปัจจุบันด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็ทำกรรมที่ไม่เหมาะสมและจะทำให้ตนเองไปเดือดร้อนในการต่อไปในภายภาคหน้าด้วยเห็นไมโทนการขาดคันติเป็นแบบนี้ทีนี้ ถ้าทุกมีความเสียหายของพวกอื่นเป็นเหตุเกิดขึ้นเนี่ยอัตภาพอันเป็นแดนเกิดของทุกนั้นแล้วก็กรรมอันเป็นเพื่อกังทุกนั้นเรานั่ยแหละตั้งขึ้นเองนะยกตัวอย่างขึ้นก็คือว่าถ้าสมมุติว่าวิธีคิดท่านพิศาสตร์ท่านคิดท่านไงวิธีท่านจะเพิ่มขันติของท่านเนี่ยนะครับไอ้ทําไมเราไปที่ไหนเราเดือดร้อนมีแต่คนเบียดเบียนเรามีแต่คนด่าเรามีคนว่าเรา ทำอะไรก็ไม่ถูกใจใครเลยเนี่ยจะคิดไงอา้าเขาบอกเออความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยนะความเสียหายอ่ะของผู้อื่นเนี่ยเป็นเหตุเกิดขึ้นอัตภาพมันเป็นแดนเกิดของทุกนั้นอ่ะกรรมมันเป็นพืชของทุกนั้นอ่ะใครเป็นคนตั้งขึ้นใครเป็นคนทําขึ้นที่เราเดือดร้อนทุกวันเนี่ยใครทําบอกงั้นเออใครทำอเอ อ, ใ, เ อ, อใช่ผีสางนางไม้เทวดากันแกล้ง หรือพระเจ้าโดนบันดาลใช่หรือไม่ก็ต้องบอกว่าไม่ทุก์ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกทางกายทุกทางใจจากการได้เห็นที่ไม่ดีได้ยินก็ไม่ดีได้กลิ่นก็ไม่ดีริ้มรสก็ไม่ดีถูกต้องทางกายก็ไม่ดีประสบอารมณ์ก็ไม่น่าปรารถนาเจอแต่ปัญหาอุปสรรคอยู่ล่าไปเนี่ยคุณนั่นแหละแต่งขึ้นเองอ่ะใช่ไหมล่ะฉะนั้นก็ก็เข้าใจเหตุและผลอย่างนี้เสียมันจะได้ยอมรับได้โดยปัญญาแต่แต่พระธรรมช่วยก็ต้องบอกเขา หนึ่งบอกตนเองด้วยแล้วก็บอกบอกที่เราจะไปประกาศพระธรรมด้วยต้องบอกว่าชาวพุทธเนี่ยจเจริญขันติกันนะ่ะอย่าไปบอกว่ามันเป็นกรรมของฉันแล้วกลายเป็นยอมจำนนนะไอ้ยอมจำนนเนี่ยเขาเรียกว่าตีบตันหาทางออกไม่ได้แล้วแล้วแล้ ว, แ ล, วแล้วยอมจำนนอันนั้นไม่เรียกว่าขันติอนนันเรียกเป็นโมหะ ต้องบอกว่ายอมรับได้ด้วยปัญญาเพราะเข้าใจเหตุและผลแต่ไม่ใช่ยอมจำนนอยู่อย่างนั้นแล้วก็พยายามดิ้นรนในการที่จะสร้างเหตุใหม่ที่จะไม่ไม่เดือดร้อนกับกับสภาพที่ตนเองได้รับความทุกข์ความทรมานนั้นอยกตัวอย่างเช่นนะท่านอาจารย์อยู่ในชนบทเนี้ย โ, โหทำไมชาวไร่ชาวนานยากจนกันเหลือเกินกันเป็นหนี้เป็นศินแล้ก็ยอมจำนนไม่ดิ้นรนนันแหละใช่ไหมล่ะ จะต้องบอกเขาว่าเออเนี่ยเองไปยอมจำนนไม่ได้หรอกดูเหตุปัจจัยว่าทําไมถึงจนบอกงั้น อ, อะไรเนี่ยเหตุปัจจัยที่มันจนมันมาเพราะอะไรเนี่ยเออเข้าใจเรื่องทานกุนศลศีลกุศลภาวนากุศลแค่ไหนไ ง, ไ, งไปต้นและในขณะเดียวกันก็คือว่าอย่าไปบอกว่าเออมันเป็นกรรมของเราอย่างเงี้ยนะมันกลายเป็นรัฐที่ปุเพกตาเหตุวาธาทิฐิไปเชื่อแต่เหตุในอดีตอย่างเดียวแต่ไม่เชื่อปัจจุบันกรรมไอ้ตรงเนี้ยนะ กรรมมันเป็นพืชพันธุ์ของทุกนั้นเราเป็นผู้แต่งขึ้นเองนั่นเป็นต้นเหตุแห่งความเป็นหนี้ของทุกนั้นนะคำว่าไอ้ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเป็นหนี้เป็นหนี้ของทุกนั้นว่างั้นฉะนั้นไอ้กรณีอย่างนี้ก็คือว่าท่านขับเน้นว่าเอาละอดีตเหตุเราไม่สามารถรู้ได้แต่จงทําปัจจุบันกรรมอ่ะบอกงั้นเดี๋สร้างเหตุปัจจุบันใหม่เมื่อไม่มีผู้ทําให้เสียหายคติสัมปทาของเราจะเกิดได้ไงพระอิศรท่านคิดอย่างนี้นะยกตัวอย่างเช่นถ้า ถ้าอยู่ที่วัดใช่ไหมครับไปโดนเบียดเบียนพระมาเบียดเบียนเออยมมาเบียดเบียนตลอดถึงทางฝ่ายบ้านเมืองมาเบียดเบียนเนี่ยเอาแล้วเวลานี้ได้มีโอกาสเจริญคันติสัมปทาแล้วได้เจริญคันติบา ร, รมีแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหากว่าเมื่อไม่มีผู้ทําให้เสียหายเนี่ยคันติบา ร, รมีของเราจะเกิดได้อย่างไรเออการที่จะเจริญคันติมันก็ต้อง อ, า, อาศัยอุปสรรคนี่แหละ ฉะนั้นก็จะต้องอาศัยอุปสรรคนี่แหละเป็นเวทีในการที่จะทดสอบทดสอบอะไรความสามารถและเราจะได้บําเพ็ญคันติบา ร, รมีเราก็วาระนี้แหละถ้าไม่มีอุปสรรคนี้คันติบา ร, รมีมันจะเกิดได้ไหมฉะนั้นคันติบา ร, รมีมีอาหารคือปัญหาฉะนั้นคนที่จะเจริญคันติบา ร, รมีเนี่ยต้องต้องท้าทายปัญหาไหมโอ้โหไหวไหมท่านท่านอาจารย์ไหวไหม ติดเครื่องขยายไปที่วัดท่านทั้งหลายพอดีแล้วเรียนปฏิปทาของพระบริสัตว์มาเรื่องคันติบรารมีเชิญท่านทั้งหลายเอาปัญหามาชักให้อตมาได้ไม่ไหวแล้วไหวไหม มีมีคนหนึ่งเนี่ยนักเป็นนักปฏิบัติทำเนี่ยไม่รู้ปฏิบัติอีท่าไหนรู้พอปฏิบัติไปเสร็จปุ๊บมันเหมือนความโกรธมันหายเกลี้ยงไปจากใจเลยนักเข้านักเข้าก็เอ๊ะเราจะทํำยังไงเธอแดงนี่เราไอ้คุณเราทเนี่ยมันมันมันขึ้นหรือ ย, อยังเนี่ยหรือหรือเราจะบรรลุอะไรจริงๆหรือเปล่าก็คิดงเงี้ยนะไม่อยากกันนั้นเลยว่าลองทดสอบดูที่ว่างั้นนะก็เขียนติดเข้าไว้ เชิญท่านทั้งหลายว่างั้นมด่าได้ว่างั้น <laughs> <laughs> เอ๊ะแล้วก็จริงด้วยคนเห็นเขียนเงี้ยเขาก็ไปตะโกนด่าไนงะแกก็นั่งเฉยก็ไม่มีความโกรธพุกพ่านขึ้นเลยแกคงมั่นใจตัวเองว่าเอ๊ะเรื่องเราได้คุณธรรมแล้วมั่งเนี่ยแต่นี้มีอยู่วันหนึ่งเพื่อนก็ไปเยี่ยมนะเพื่อนก็ไปนั่งคุยด้วยไปถึงปุ๊บเพื่อนก็ถามว่าเออเนี่ยเขียนอะไรไว้บอกอ๋อทายเขามาด่าว่างั้น ก็คุยไปสักพักหนึ่งคุยเรื่องอื่นไปเรื่อยคุยคุ ย, ค, ยคุยไปเพื่อนก็ย้อนถามเฮ้ยเขียนอะไรไว้อ๋อท้าให้เขามาดา่าพอครั้งที่สามเรียบร้อยเลยคุยไปอีกสักพักหนึ่งพวกก็ย้อนถามเฮ้ยเขียนอะไรไว้เนี่ยว่าอ้าวท้าบอกว oh, ่าไ อ, อ้ น, นี่ก็พกุกพาดกันมาเ e อ๊ะไอ้นี้พูดไม่รู้เรื่องก็บอกท้าให้เขามาดา่าเฮ้ยเองโกรธแล้วใช่ไหมโกรธที่มันขำอยู่ได้ประโยคเดียวนี่ว่าไงเอาไหนว่าไม่โกรธไงเนียบเลย่องดี อย่างนี้เหมือนตอนนี้ไม่ใช่คันตีนี่แหละเป็นอุปการะที่บุคคลอื่นกระทําให้แก่เราเนาะฉะนั้นหากมีผู้ทําความเสียหายในปัจจุบันนี้นะถ้ามีใครทําความเสียหายให้แก่เราจําหน้าเขาไว้ว่าคนคนนี้มีอุปการะแก่เรานี่พระวรสารท่านคิดอย่างนี้ถ้าใครทําความเสียหายให้แกเราคนคนนี้มีอุปการะแก่เราเพราะอะไร นี่แหละเป็นอุปการะที่บุคคลนี้กระทาแก่เรามาก่อนเอ่อทำไมถึงมีอุปการะแก่แก่เรามาก่อนล่ะก็เขาจะเพิ่มให้เรามีคันติบารมีมากขึ้นผู้ทําให้เราเสียหายนั่นแหละเป็นผู้มีการละเพราะเป็นเหตุเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุให้เกิดคันติถ้าไม่มีคนทําความเสียหายให้กับเราคันติก็ไม่เกิดทีนี้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดเป็นเช่นนะ คือ พ, อพระโพธิสัตว์ท่านจะมองเห็นสัตว์โลกทั้งหลายเป็นบุญบุตรของเราเป็นบุตรของเราถ้าถามบอกว่าเมื่อเป็นบุตรของเราเนี่ยใครจะโกรธในความผิดที่บุตรทํำลงใช่ไหมล่ะเพราะตรงนี้มันเหมือนกับาศาสนาของพระเจ้าเนี่ยเขาคาบเอาไปใช้นะคำเนี้ยเ พ, พราะพุทธศาสนาอุบัติเกิดขึ้นก่อนศัพท์เนี้ยนะเลยโดยเฉพาะคริสมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่ง อผมจําชื่อไม่ได้แล้วเป็นเดี๋ยวนี้เป็นฝรั่งเขาเขียนขึ้นเขาเขียนขึ้นบอกว่าลองไปหาอ่านดูนะครับใครที่เก่งในเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเขียนบอกว่าพระเยซูเนี่ยว่างั้นเน่ยเป็นพุทธไม่ใช่คริส <c oughs> โอ้โหหนังสือเลาแนี้ดีนะเป็นของเดี๋ยวนี้ฝรั่งใจก็เปิดกว้างขึ้นเยอะเลยนะเพราะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นเป็นพุทธได้งไง ในช่วงที่พระเยซูหายไปเนี่ยพ่อ เ, เรียนพุทธศาสนาในอินเดียเราไปดูที่ประวัติตอนพระเยซูหายไปเนี่ยแล้วคําสอนดั้งเดิมของพระเยซูเนี่ยเป็นพุทธไม่ใช่คริสเป็นหนังสือเขียนนะรู้สึกว่าเราไปดูว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพุทธไม่ใช่คริสตว่าไ ง, งาเป็นพุทธไม่ใช่ ค, <ะ>คริสไม่ใช่แผนการฝรั่งวิเคราะห์เลย มีมีฝรั่งมาบวชอยู่กับผมนะครับสามเดือนตอนนั้นก็ห น, นังสือเนี่ยไม่ให้ดูแล้วเป็นจริงเขาเขาเองเขาจริงมีความเชื่อว่าจริงๆแล้วแต่คําสอนที่เขียนขึ้นมาใหม่อันนี้ไม่ใช่ของพระพุทธสัพพไม่ใช่ของพุทธว่างั้นอันนี้เป็นการแต่งเติมขึ้นมาแล้วไม่ใช่ของพระเยซู ด, ด้วยว่างงั้นอันนี้แม้เรื่องวงการของคิดสะเทือนในงานนี้อันนี้บอกพระเยซูเนี่ย ทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าท่านมองบอกว่าพระบริสัทท่านมองว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดเป็นเช่นบุตรของเราใครจะไปโกรธในความผิดที่บุตรทําลงก็ผูกสัตว์ไงครับบารมีเนี่ยหนึ่งผูกบารมีสิบไว้ในตนสองผูกสัตว์โลกในจักรวาลทั้งสิ้นไว้ในตนพระบริสัทจึงมองสัตว์ทั้งหลายเป็นเช่นบุตรเนี่ยมองเช่นบุตรตนเองบุตรนี้ทําผิดแก่เราใ น, ในเพศปีศาจคือความโกรธใดนะเราควรขจัดเพศผู้ถือความโกรธนั้นเสีย นี่ท่านอัตฉริยะใส่ท่านตั้งอย่างนี้หมายความว่าคนโกรธก็คือปีศาจเข้าปีศาจนั่นะสิงนี่เลยฉะนั้นเออ ก, ก็ก็คนคนนี้เขาเป็นลูกว่างั้นเธอเขามาทําความผิดเราเพราะมีความโกรธประดุดทางปีศาจเข้าสิงนี่แหละเราคนขจัดเพศผู้ถือความโกรธนะนั่นเสียก็หนึ่งเราอย่าไปโกรธตอบไปโกรธอย่าไปโกรธตอบเขาสองก็ต้องพยายามทําให้เขาหายโกรธว่างั้นเธอเอาก็ดูตอนที่ พรามณคนหนึ่งที่มีมีภรรยาภรรยาเป็นเป็นเป็นพุทธเป็นพุทธบริษัทนั่นแหละที่เป็นอุบาสิกาของพุทธเจ้าใช่ไหมเวลาแกทําอะไรก็อุทานมาว่าขอนอบน้อมต่อพระสัมพุทธเจ้าต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระาเจ้าทุกครั้งแต่แกหกล้มก็ดีหรือทําอะไร พ, ราพลาดทลั้งก็ดีก็จะอุทานคํานี้ตลอดเวลาใช่ไหมแล้วที่จะพราม์ที่โกรธนี่แหละ ว่างั้นทีนี้อยู่มาวันหนึ่งพราหมณ์คนนี้เป็นมิจฉาทิถิก็ไปนับถือพวกเจรกาพวกแก้ผ้า น, นี่แหละก็จะบอกว่าเออวันนี้บอกเรียกมาเธอว่างั้นวันนี้ขอสักวันได้ไหมอย่าอย่าร้องเรียกชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่างั้นใช่ไหมอย่าร้องเรียกได้ไหมภรรยาว่าไงภรรยาไม่ได้หรอเอาทําไมไม่ได้ก็บอกว่าเออหนึ่ง เหตุ okay. ฉันดิฉันจัดทําการงานดีเนี่ยส่งคอกคนข้างเพียงของสามีดีเนี่ยสามไม่นอกใจเนี่ยไม่ดูหมิ่นเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็ขยันไม่เกียรติค้าในกิจการทั้งปวงประพฤติจารีเสียได้บริกเสริมบริบูรณ์เนี่ยอันนี้รู้ไหมว่าเป็นอะไรนี่ไงคือทำมังสนังกัฉามิที่ได้มาจากพระพุทธเจ้าว่างั้นที่คุณพูดทางสนังกัฉามิ เอาถ้าหากว่าไม่ให้ฉันเอ่ยพระนามของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าก็แปลว่าไม่ให้ฉันทําหน้าที่ในความเป็นภรรยาที่ดีสิเพราะการทําหน้าที่ในความเป็นภรรยาที่ดีนี่คือฉันทําตามพระธรรมและเล็ในอัตยาศัยหรืออัตภาพของฉันเนี่ยกายกับใจของฉั น, เ, นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระราชนตรยแล้วฉันไม่สามารถจะถอนตนเองออกจากการที่ไปประพฤติผิดศีลผิดธรรมไดนะ้นี่ไงอ น, นิสงส์การประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมที่พระสัมมสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ก็ฉันเห็นพระคุณขนาดนี้แม่ฉันร้องเรียกอขอหน่อบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังไงทุก ท, ที่ทุกสถานในการทุกเมื่อว่างั้นสามีก็บอกแหมไม่รู้จะพูดยังไงงั้นร้องเบาๆหน่อยได้ไหมในํ <c oughs> านองอย่างนั้น <c oughs> ใช่ไหมล่ะเออฉันจะพยายามในทํานองอย่างนั้นนะะแล้วก็ไปนิมนต์พระของตนเองมาเนะี่ยมาเต็มหมดนางก็ถือของ ก็หนุ่มข้อนในฐานะเป็นสาวิกาเป็นอุบาสิกาก็จริงอยู่แต่ก็ไม่ได้ละเลยก็เหมือนให้ทานบุคคลทั่วไปนี่แหละว่างั้นแต่ไม่ได้ไปกราบไหว้อะไรแต่ไปสะดุดไงไปสะดุดแล้วล้มล้มเต็มที่เลยเล้มเต็มที่ก็ล้มลงโอ้โหครั้งนั้นนางไม่ใช่แค่ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าธรรมดาแล้วมีการหันหน้าไปทางเชตวนันแล้วก็คุกเข่ากราบเบญจางขปิ์ เต็มสูตรเลยแต่เนี่ยนะขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้รกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้ที่พระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมภระริยสงกว่างั้นนั่งตอนนันโอ้โหพกท่าโกรธมากพากันเดินพากันลงลงบ้านหนีไปหมดเลยก็ไม่กล้าติตําหนิภรรยาตนเองใช่ไหมเพราะภรรยาก็ปฏิพฤติปฏิบัติงั้นอย่างนั้นเลยเล่นอาจารย์เลยกะนู่นแหละกบไปโต้ว่าถ้ากับพระริจ้าก็วิ่งไปที่วัดไปเจอพระริจ้าก็ชี้หน้าเลยไม่ได้กลับมาเลยออกบวช บรรุเป็นพระอรหันต์ไปเลยนี่พระมูลเนี้ยนี่เป็นเงนี้ยใครไปหาพระเจ้าเป็นอย่างเงี้ยแหละเขาถ้าไปแบบเชนนี้ที่ต้องการเอาข้อมูลต้องการถกแบบเชิงลึกขึ้นมานี่นะไม่ได้กลับบ้านกับช่องอนี่เป็นนี้แหละเออเป็นเงีนะ้งั้นผมยังเป็นห่วงพระธรรมทูตเชิงลึกจริงๆนะผมกลัวพวกเราศึกษาเชิงลึกก็จะไม่ได้กลับบ้านกับช่องกันนี้เนี่ย ว่าจะไปติดอยู่แถวนี้ไม่ยอมกลับแล้วจะเฝ้าพระเจ้าอุปถัมภ์พระเจ้าจนชีวิตจะหาไม่อยู่แถวนี้แหละใช่ไหมลราต้องศึกษาเชิงลึกจริงๆดีไม่อยากจะไปแล้วบอกโอ้โหเนี่ยว่า ง, งั้นก็เหมือนพระเถระท่านมาหาได้แปลในพระวินยัยในดีกาไปแล้วมีพระเถระรูปหนึ่งนะท่านตั้งอัธยาศัยเขาไว้ที่ว่าท่านเขียนตำราเนี่ยอันนี้สงการเขียนตำราพระวินยัย ดีกาวินัยนี่แหละว่างั้นท่านบอกว่าถ้าท่านท่านบอกว่าท่านปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านบอกว่าถ้าข้าพเจ้าตายในทรองเนี่ยนะท่านตั้งอัตยาศัยขอให้เกิดเป็นลูปคาเทวดานะครับอขอเป็นรูกคาเทวดานะั่นที่เป็นสัมมาทิฏฐิว่างั้นแล้วก็มาอุปถากที่ประสูตมที่ตรัสรู้ ที่แสดงพระธรรมจากที่ปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนครบห้าพันปีเนี่ยว่างั้นหลังจากนั้นให้ตนเองย้ายไปอยู่ในป่าหิมพาน์ได้มีโอกาสอุปถามพระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่จะอุบัติเกิดขึ้นนะว่างั้นเธอเมื่อได้อุปถามก็ดูแลไ ป, ไปเป็นต้นไปตามลําดับจนสิ้นอายุไข ข, ของตนเองว่างั้นเธอถ้าถึงการศาสนาของพระศรีเยเมตัยผมเล่าย่อๆดีกว่านะขอให้ท่านได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้ไป ไปไปอยู่เฉพาะพระพักของผู้มีภาคเจ้าได้ถวายได้ได้เจริญทานกุศล ส, สีกุศลใหญ่ว่างั้นเถอะและได้รับพยากรจากพระผู้มีภาคเจ้าพระศรียะเมตตายว่าท่านพนนี้จะได้ตัดสรู้เป็นพระเจ้าในอนาคตว่างั้นท่านปรารถนาแบบนี้นะอันนี้ท่านวางแผนชีวิตระยะ ย, ยาวไหมพระธรรมทั่วจะศึกษาเชิงเลื่ขึ้นมาผมว่าก็ต้องวางแผนชีวิตกันเหมือนกันในนี้นนะว่าเออในชาติต่ตอไปจะเป็นยังไงอน า, านาคาริกธรรมปาลาก็วางแผนชีวิตใช่ไหมถ้าจะมาเกิดอีกกี่ครั้งนะ อินเดียเนี่ยยี่สบห้าครั้งก็นู่นแหละห้าพันปีอะใครจะมาอุปถากคอยบำรงธนูพระพุทธศาสนาแล้วเจดครั้งแล 25, ้วยี่ห้าจำไม่ได้เนี่ยเนี่ ย, ยอันนี้ท่านก็ตั้งอัธยาศัยเหมือนกันคือต้องการจะมาปกป้องพระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมินี่แหละไม่ให้ใครมาทําลายนี่ใจท่านรักพุทธศาสนาอย่างเงี้ยนะแล้วไปทำมาโทษว่าไงว่เห็นคนนี้ก็มุ่งมั่นกันอย่างเงี้ย ตรงนี้ก็คือเรื่องทันติเราเองนั่นแหละเป็นเหตุแห่งความเสียหายบุคคลทําความเสียหายโดยธรรมะใดและทําในที่ใดธรรมะเหล่านั้นแม้ทั้งหมดก็ดับไปแล้วในขนาดนั้นฉะนั้นท่านจะไปโกรธใครโกรธไปทําไมวิธีคิดเช่นเวลามีคนดา่าเราเสียงด่าก็ดับไปแล้วในขนาดนั้นและถ้าพูดถึงหลักวิยาศาสต์ก็เป็นหลักอย่างนั้นด้วยเยอเซลในร่างกายที่มันขึงทำมึงในกรณีแห่งการดา่าก็แตกดับไปหมดแล้ว นามาทำยิ่งแตกดับเร็วกว่ารูปธรรมอีกแล้วจะไปโกรธใครโกรธไปทําไมวะงั้นโกรธไปทําไมเพราะทำทั้งหลายเป็นอนาตาเนี่ยโกรธรูปกระกบกโกรธผมหรือเนี่ยเนี่ยอะไรเป็นยังโกรธขนโกรธเล็บโกรธฟันโกรธหนังโกรธเนื้อโกรธเอ็นโกรธกระดูกโกรธเยื่อในกระดูกโกรธไตโกรธหัวใจโกรธตับก็ไปแยกไปนักเข้านักเข้าก็จะไม่เห็นอะไรที่น่าโกรธด่วยงั้น แล้วก็บอกว่าความโกรธมีเหตุมาจากความผิดของผู้อื่นมีการสะสมไว้นานครอบงำข้างๆจิตใจยอยู่ในกรณีนี้ก็พิจารณาเ่าชื่อว่าขันติเป็นเหตุแห่งการทําตอบที่ทําตรงกันข้ามนะต่อผู้อื่นที่ทําผิดก็หมายความว่าถ้าเขาโกรธเรามากม็อย่าไปโกรธตอบว่บา ง, งั้นถ้าเขาตันีกับเราเราก็ให้ว่า ง, งั้นพยายามทําตรงกันข้ามเนี่นะในเจริญกุศลแต่เป็นไปกับกุศลนะบอกว่าผู้ทําผิดเนี่ยเป็นปใจใัจัยเกิดศรัทธาโดยใ ห, ให้เกิดทุกว่าศรัทธาของเราอิงแอบทุก หมายความนี้ถ้าถ้ามีคนประทุสร้ายเราเนี่ยมันทําให้เราได้รับทุกข์แต่จงเอาทุกข์นั้นเป็นปัจจัยแก่อะไรถ้าเอาทุกข์เป็นปัจจัยแก่ทุกขโทมานัโสโศกะปริเทวะทุกขโทมานัสเสวยปายาตแล้วเกิดเอาวิชาสังขารวิญญาณนามรูปอันนี้ยุ่งนะอันนี้ปฏิจจารสายเกิดจะไปเป็นแถวเลยแต่จงเอาทุกข์นั้นอิงแอบศรัทธาว่าะงั้น<อ>ก็หมายความว่าทุกข์เป็นปัจจัยแก่ศรัทธา โทมานัตเป็นปัจจัยแก่ศรัทธานะหรือปัญหาอุปสรรคจงเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาว่าจึงเป็นปัจจัยเกิดหนุนแก่ศรัทธาเอาไปตั้งไว้ที่พระรัตนตรัยเมื่อมีศรัทธาแล้วเนี่ยนะตั้งไว้ที่พระรัตนตรัยแล้วเนี่ยศรัทธาก็เป็นปัจจัยแก่แก่ปราโมดไงปราโมดก็เป็นปัจจัยแก่ปีติปีติก็เป็นปัจจัยแก่สงบสงบก็เป็นปัจจัยแก่สุขสมานัตสุขสมานัตก็เลยเป็นปัจจัยแก่สมาธิ สมาธิได้เป็นปัจจัยเกี่ยกับปัญญาที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่วิธีเขาจะเจริญขันติเขาบอกอ๋อดีแล้วความทุกนี่แหละจะเลยเอาจะเอาเป็นปัจจัยต่อศรัทธาว่างั้นนี่เป็นไปในลักษณะ น, นี้นี่วิธีคิดของพระโพธิสัตว์เป็นอย่างเนี้ยท่านคิดกรณีขันติเป็นอย่างนี้เะไรครับเออผมจะไม่ขยายอะไรมากเดี๋ยวชัวงง่วโมงก็จะพยายามจ ะ, จ ะ, จ, ะจะสรุปประเด็นแล้วก็จะได้ สรุปต้ให้บารมีทั้งหลายในกรณีการวิจัยนะให้ครบให้ครบถ้วนกระบวนควารซะเท่านั้นทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้ า, ามองอย่างนี้ก็ผู้ที่ทําผิดเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ดศรัทธาดังกล่าวศรัทธาของเราอิงแอ บ, บทุกเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือความปกติอินทรีย์คือการประสบอารมณ์น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาข้อ น, นั้นเราจะหาได้อย่างไรว่าการประสบนั้นไม่น่าปรารถนาไม่พึงมีแก่เราก็บอกว่าวิธีคิด อารมณ์เนี่ยมีสองประการนะครับมีทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาทั้งที่เป็นอิทธารมณและที่ไม่น่าปรารถนาที่เป็นอ น, นิธารมณ์ฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายเกิดมาเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้แต่เราเลือกที่จะวางใจได้วงั้นเลือกที่จะวางใจที่จะฉลาดในการตั้งท่าทีทางใจได้แต่เราไม่สามารถไปกําหนดอารมณ์ได้นี่วิธีคิดของบริสัทธ์ท่านนะเช่นว่าวันนี้ต้องเจออารมณ์ดีเท่านั้นถ้าไปตั้งอย่างเงี้ยแปลว่าฝืน ฝื้นกดฝืนธรรมดาของโลกฝืนโลกธรรมซึ่งซึ่งทําไม่ได้ทําไม่ได้ก็คือหมายว่าฝืนไปก็เสียหายเพราะความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเดี๋ยวก็มีลาบเดี๋ยวก็เสื่อมราบเดี๋ยวก็มียอดเสื่อมยอดนินทาสารเสริญสุขแล้วก็ทุกมันก็เบียดเบียนอย่างเนี้นะครับมีใครจะถามปัญหาอะไรถามเลยนะครผมจะค่อ ย, อยๆไล่ไปอย่างนี้แล้วก็สรุปตอนท้ายในช่วงนั้นถ้าใครสงสัยปัญหาอะไรก็ถามนาะยกมือถามได้เลยเนะียเออตอนนี้ก็คือว่า อีกอย่างหนึ่งสัตว์ผู้ตกอยู่ในอํานาจของความโกรธเป็นบ้าโดยความโกรธมีจิตฟุ้งซ่านเนี่ยไปทําผิดตอบเขาจะได้ประโยชน์อะไรวิธีคิดของบริษัทบอกว่าเวลาความโกรธครอบงําใครก็ขเขาใจเขาบ้าแล้วเขาเขาเป็นบ้าไปแล้วไอ้คนโกรธเป็นเหมือนคนบ้าไหมท่านอาจารย์ว่าเขาไปบ้าไปแล้วเราไปทําตอบเขาจะได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมความบ้าครอบงําเขาแล้วเนี่ย เวลาคนโกรธเกิดขึ้นมาเนี่ยสวยขนาดไหนน่าเกลียดหมดไหมให้นางงามจักรวาลเนี่ยโกรธเต็มที่แล้วก็ไปกระทบเออไปกระทืบเท้าบนเวทีคิดว่าจะได้รางวัลที่หนึ่งหตะโกนแล้วก็อาปากตะโกนร้องเต็มที่ความความสวยหายไปหมดไหมเวลาโกรธเนี่ยหายเกยเลเี้ยงเลยนะฉั้นความโกรธเนี่ยเผาหนึ่งเผาเผาอะไร เขาเขาใจตนเองกลุบตามมาทําเนี่ยสองเผาที่ตั้งก่หัตถยวถัตถต่อมาก็คือเผาสตรีละทั้งหมดเนี่ยเหมือนไฟไม่ป่านี่เป็นอย่างนี้สัตว์นี้ทั้งหมดเนี่ยพระ ส, ามมารสัมมาสัมพุทธเจ้าคุ้มครองบุตรที่เกิดคุ้มครองดุจบุตรที่เกิดแต่อกถ้าเรามองนี้นะเพราะเออเราไปโกรธบุคคลอื่นว่างั้นพระุทธเจ้าเนี่ยผูกสัตว์เหล่านี้ไว้ในฐานะเป็นประดุจทั้งบุตรตนเองเลยเนี่ยเราไปโกรธนี่ไม่เหมาะเลยว่างั้นเดี๋เหมือนกับโกรธ โกรธลูกของพระพุทธเจ้าไม่ควรกับเราเลยเนี่ยวิธีคิดเนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรทาโกรธในสัตว์เหล่านั้นไม่ควรทาใจโกรธเมื่อผู้ทำความผิดมีบุญคุณเราไม่ควรจะไปทำความโกรธในผู้มีบุญคุนนั้นเมื่อไม่มีบุญคุณควรแสดงความสงสารเป็นพิเศษถ้าคนที่เขาเขาทำให้เราโกรธเ้ามีบุญคุณมากทำไง เขามีบนคุณอย่าไปโกรธเขาอ่าถ้าเขาไม่มีบนคุณนี้ซิน่าสงสารตัวงั้นเราควรจะให้เราควรจะกรุณาเขาเป็นกรณีพิเศษตัว ง, งั้นงั้นความโกรธก็ทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ได้ทุกอย่างเนยนะตรงนี้ท่านก็สอนว่าให้มีคันตินะเมื่อมีคันติเราก็ไม่มีทุกข์หากมีจิตโกรธก็เหมือนกับศัตรูตามติดกว่างั้นการโกรธเนี่ยวิธีการ พิจารณาตรงนี้ก็คือว่าเหมือนเอาศัตรูตามคอยประค็ดคอยคอยประทุษร้ายตัวเองตลอดเวลามีไหมครับมีมีใครจะถามปัญหาอะไรไหมอาท่านมหาถามทระัญหาให้คนอื่นเขาได้ให้ว่าทํามประทุษเขาได้ชื่นใจเนะียเอออยากฟังปัญหาประเด็นทำเก้าประโยค <c oughs> ครับก็ขอขอนุญาตครับอาจาทีนี้ในเรื่องของข้าพโทธศารนที่ในนครพะเยาเ่อดกก น, นะครับเออสงสอยู่เหมอกันว่าต้องประกอบด้วยธรรมะสมโทอันแปดประการครับ แต่พอได้รับพยากรอัน น, นี้หมายถึงว่าเฉพาะครั้งแรกหรือว่ายัางไงก็ <c oughs> ว่าอจากที่ท่านอาจารย์อธิบายมานั้นก็เป็นตัดสินใจก็ได้รับพยากรในบวชนะครับไม่ได้ถึงเทศบุญก็ได้รับพยากรเชอนกันะอ อ, อันนี้เราก็จะอือหลักเทาเฉพานะนครั้งแรกอย่างเดียวหรือว่าสครั้ง เออเออประเด็นปัญหาตรงนี้ผมเป็ผมวิจัยเรื่องนี้มานานผมก็เนี่ยทํำให้ผมได้มุมนะเวลามีคนถามปัญหาขึ้นมาเนยเออเมื่อกี้ท่านมาหาถามว่าการเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นนิยตะ๊ะโพธิสัตว์นี่นะครับเป็นที่จะได้รับพระพุทธบยากรเนี่ยต้องได้รับธรรมะสมโอทาน8ประการที่บอกว่ามนุษสตังลิงข้สามปฏิเป็นต้นเหล่านี้ เออเมื่อได้รับพยากรได้รับคุณสมบัติทั้ง8ประการเนี่ยถึงจะเรียกว่าถึงจะเรียกว่าเป็นได้รับพยากรที่บอกมนุษย์สตังลิงคสัมปติเหตุสถารทัศนังเนี่ยคืออภิเนหานย่อมสำเร็จในการประชุมพร้อมโดวยวปเหตุ8ปดประการใช่ไหมครับหนึ่งความเป็นมนุษย์สองถึงพร้อมด้วยเพศสมก็คือเหตุ ส, สี่การเห็นพระบรมศาสดาห้าประประชาหกก็ถึงพร้อมด้วยคุณ เจ็อธิการละแล้วก็แปก็มีชันทะว่างั้นทีนี้อภิิหาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่บารมีทั้งปวงว่างั้นเป็นปัจจัยแก่บารมีทั้งปวงเนี่ยในธรรมมาสมุทานแปดระการท่านมหาถามว่าหลังจากได้รับพยากรแล้วต่อมาเนี่ยความบริบูรณ์ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยต้องครบแปดระการจนกว่าจะได้ตัดสู่ไหม เออทำไมไม่ครบแล้วเมื่อไม่ครบพระพุทธเจ้าองค์ถัดมาพยากรได้ยังไงเ <c oughs> ข้าใจใช่ไหมเป็นประเด็นเนี้ยเออพยากรได้ยังไท ง, ท, งทั้งๆที่ยกตัวอย่างเช่นเกิดเป็นสีหานี่ยเป็นราชศรีเนี่ยที่ไปยืนมองพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้วก็ให้เฝ้าคุ้มครองภัยอยู่เจ็ดวันที่พระโพธิสัตว์เข้านิโรธสามาบัติทําประทักษิณ ส, สามรอบก็เปล่งสีหนานั่นแหละว่างั้น แล้วต่อมาพุทธเจ้าก็อธิษฐานให้พระรหา์เป็นแสนรูปเนี่ยเป็นแสนโกดรูปเนี่ยที่ว่ามามาให้ให้สีหานี่ปลื้มใจแล้วก็ทํานายว่าเนี่ยราชสีเนี่ยในอนาคตจะได้ตัดสู้เป็นพระเจ้าอันนี้ไม่ครบแน่นอนเนี่ยเพราะเพราะไม่ได้เป็นมนุษย์เนี่ยสองไม่ได้ถึงพร้อมด้วยเพศเนี่ยสามไม่ได้บรรพชาเขาอีกเนี่ยทำไมทํานายอันนี้ไม่นับครับเพราะว่าถือว่า พยากรณ์ครั้งแรกนั่นแหละที่บริบูรณ์ก็คือครั้งแรกนั่นแหละเอาครั้งแรกเป็นเกณฑ์ถ้าต่อแต่นั้นไม่นับจะเป็นหนึ่งหลังจากได้รับพยากรณ์แล้วก็คือไม่เล็กกว่านกกระจาะถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานสองก็คือไม่ไม่ใหญ่กว่าช้างน่ะไม่ใหญ่กว่าช้างนี่เป็นต้นนะพระพุทธเจ้า ก, ก็บอกว่าในในฉบับฉัฏฐาสังคยานานะที่บอกว่าสุนาถาภิกโวไมหังที่บอกดูก่อนพิกษุททั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังกรรมใดอันเราก็ทําแล้วด้วยดีของเราผลแห่งกรรมคือการถวายผ้าเก่าย่อมมโวยผลแม้ในความเป็นพระเจ้าเป็นต้นเหล่านี้ยฉะนั้นถ้าเราดูในคัมภีร์ในชาดกเยอะแ ย, ะ เ, ยะเบ็ดเสร็จนี่นะเอาอย่างยกตัวยอย่างเช่นในเตมียะชาดกนี่มันเพ็นเนกขมะบารมีเนี่ยนะอันนี้เป็นปรมัตถบารมีอันนี้เป็นมนุษย์มหาชนกชาดกนี่วิริยะบารมีอันนี้ก็เป็นมนุษย์ สุวรรณนาสามชาดกอกเป็นมนุษย์เนมิราชนะ ก, ก็เป็นมนุษย์มโหสถนี่เป็นมนุษย์ภูริทัตตะอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นพญานาคแล้วอันนี้ได้รับพยากรมาแล้วทั้งนั้นเนี่ยได้รับพยากรแล้วแต่เป็นพญานาคตั้งความปรารถนาอยากไปเกิดในเทวโลกเพราะงั้นตอนเป็นพญานาคก็ไปรักษาโบสถศีนีจอมปวดนั่นแหละส่วนจันทกุมารเอออันนี้เป็นโอรส มหานรารธทะกสปะชาดกอันนี้ก็เป็นพรหมนะชื่อว่านาระทะเป็นพรหมแล้วก็วิทุระชาดกนิ่สัจจะปรมีเป็นปัญญาปารมีเป็นต้นด้วยแล้วก็เวสันดอนชาดกนี้เป็นอุป ป, รปารมีฉะนั้นจริงๆแล้วถ้ามองมองไล่ไปตามลำดับเนี่ยที่ได้รับพยากรณ์เนี่ยเป็นสัตว์ิจิรชานก็ได้แต่ในชาที่จะจัดได้พยากรณ์นั้นต้องบริบูรณ นั้นในชาดกทั้งหมดเป็นเรื่องที่กล่าวถึงการบําเพ็ญบา ร, รมีของโพธิสัตในชาตินั้นๆทั้งหมดนะเป็นเรื่องที่กล่าวถึงการบําเพ็ญบา ร, รมีทิฏฐิฐานบา ร, รมีศีลเนคขมาปัญญาวิทียาเป็นต้นเนี่ยจนถึงครบสาสิบทัศน์นั่นแหละถ้าเรามองถึงการบําเพ็ญบา ร, รมีของโพธิสัตเนะี่ยในชาติหนึ่งๆมิใช่ว่าจะทรงบําเพ็ญบา ร, รมีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะให้เข้าใจอย่างนี้ว่าไม่ใช่ว่าโอ้ชาตินี้บําเพ็ญพระเวสสันดนบรบัญเชนบําเพ็ญทิฏฐิฐานบารมีในนั้นไปดูศีลมีด้วย เป็นเนกมะได้ไหมออกบทไงปัญญาด้วยหรือเปล่าวิริยะไหมขันติสัจจาอธิฐานเมตตาเบขาสบบรุปบารมีครบคร บ, ครบทุกชาตินั่นแหละแต่อันนี้เด่นนะครับอันนี้เด่นแต่ที่จริงเด่นเนี่ยอยู่ที่การนำเสนอดังกล่าวแล้วเออถ้าเราศึกษาชาดกห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบชาติ แต่ถ้าไปศึกษาจริงๆเนี่ยตอนนี้ผมเจออยู่ห้าร้อยสี่สิบเจ็ดชาตินะขาดสามชาติใครลองช่วยไปค้นจหน่อยเดี๋ยวหายไปไหนเนี่ยนะแต่จริงๆห้าร้อยห้าสิบชาติเนี่ยทีนี้เนค้นดูเบ็ดเสร็จเนี่ยนะแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะเห็นชัดว่าการบำเพ็ญบารมีเนี่ยครบบารมีท่านโดยส่วนใหญ่ครบบางทีเนี่ยเราขับ ที่ไปขับเน้นนะเออตรงนี้บอกนีว่าทําไมขับเน้นเรื่องทานบา ร, รมีเพราะเห็นได้ง่ายและอย่างหนึ่งในเนื้อของทานบา ร, รมีนั้นนะ่ะมีบา ร, รมีอื่นแทรกเต็มไปหมดเลยมีบา ร, รมีอื่นแทรกเต็มไปหมดเลยนะครับถ้ามีใครถามยังไงอาจารย์ทนน่าอนน <c oughs> าจารย์ถามปัญหาสแสดงว่าปลงใจได้แล้วมั้งเนี่ยออนยากคือ ขอถามในเรื่องที่สงสัยอะไรนะอาจจะไม่ตรงประเด็นในการที่บรรยายคือมีความสงสัยเกี่ยวกับบุปกรรมของพระเจ้าปิพิสารครับซึ่งถือว่าเป็นอุบาสกที่ถวายที่สร้างวัดวัดแรกเมื่อวันของพุทธศาสนามิตถามากแต่ว่าจุดจบ ข, ของชีวิตนี่เวทนาด้วเหตุคือต้องถูกทรมานจากลูกชาย พระเจ้าอ้อเจ้าสุตูเนี่ยครับถือว่าคือใครได้ฟังประวัติล้วก็ไม่อยากทำํำบุญกุ้งเหมือนกันนะครับคุณถวายที่สร้างเขาจะต้องสุกประมาณมือพระเจ้าพิพิษฐานแล้วก็ขณะนั้นนี่พระพุทธเจ้าก็ยังมีพระชนชีพอยู่ทำไมถึงไม่ไปโรปรดอืพระเจ้ า, าพิพิษฐานก็อขอว่าให้ พระเจ้ า, าชาระตัวเว้นชีวิตหรือว่าเว้นในการปรมานพ่อของตัวเองท่าอาจารย์ขอบคุณครับโอ้โปัญหาท่านอาจารย์ถามน่ยหนึ่งปัญหาแต่รันกันหลายปัญหาเลยนะเนี่ยผมจะยกตัวอย่างประกอบนิดนึงนะครับก่อนที่ตอบเนี่ยตอนที่พระตอนที่วิทูและวิทูทธพระยกกองกําลังไปไปไปไ ป, <c oughs> ไปบุกกรุงก บ, บิลพัทเนี่ แล้วก็ฆ่าล้างตระกูลเลยอ่ะทำไมพระเจ้าไม่ช่วยไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตอบปัญหาตรงนี้ก่อนนะครับเออตรงนี้มันมันมั น, ม, นมันกระทบเยอะทำให้ผมคิดหลายปัญหาเลยว่างั้นเดท่านอาจารย์เปิดหนึ่งประเด็นเนี่ยทำให้ใจใจผมมันคิดพื้นไปหลายเรื่องเลยแต่นี้เดี๋ยวผมก็ย่อให้เหลือเรื่องสั้นๆตรงนี้ก่อนคือพระเจ้าพิมพิสารเป็นอุบาสกแล้วก็เป็นพระโสดาบันนะครับ และในพร ะ, พระเจ้าพิพิสารเนี่ยได้บรรลุตอนที่พระเจ้าแสดงธรรมที่ลัทธิวันใช่ไหมครับสวนตาหนุ่มแล้วก็พระเจ้าพิพิสารพร้อมได้บริษัทเท่าไหร่สิบสองหนหุ่นะครับแสนกับสองหมืน่นที่จริงได้บรรลุแสนกับหนึ่งมืน่นเป็นพระโสดาบันอีกหนึ่งหมื่นก็ขอถึงไตรสระนคมเพราะ ง, งั้นเถอะ ในบรรดาแสนกันหนึ่งหมื่นในนั้นมีหมอชีวกโกมาลพัทอยู่ด้วยไหมนี่ถามนี่ไม่มีหมอชีวกเป็นพระโสดาบันนะหมอชีวกโกมาพัทเี่เป็นพระโสดาบันแล้วก็มีท่านหนึ่งชื่อว่าวิสาขาอุบาศกนะครับวิสาขาุบาศกก็เป็นปุโรหิตข้าพเจ้าพิมพิสารคนหนึ่งด้วย แล้วต่อมาวิ ส, วสาขาบารสก์เนี่ยได้บรรลุถึงพระชั้นพระนาคาด้ยซ้าไปที่เป็นสามีอดีตสามีของนางนางอะไรเนี่ยธรรมทินนาเทลีใช่ไหมอัน <c oughs> เดียวทีนี้ถ้าถามบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินและอยู่ต่อมาเนี่ยก็ถูกพระเจ้าชาติตูเนี่ยโดยสรุปประเด็นก็คือพระเจ้าชาติศตูเนี่ยไปคบกับพระเทวทัตและที่สุดยิ่งก็เกิดวางแผนกันขึ้นมาว่า อขอให้วางแผนกันว่าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยจะเป็นใหญ่ในอาณาจักรกว่างั้นเถอในราชอาณาจักรทั้งโลกส่วนขอให้พระเจ้าขอให้ส่วนพระเทวทัศนนั้นจะเป็นใหญ่ในพุทธจักรว่างั้นเถอเราก็จะยิ่งใหญ่พระเทวทัตก็จะปกครองสงฆ์ทำหน้าที่เป็นพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอส่วนทางด้านของราชอาณาจักรทั้งหลายก็อาชาติศัตรูก็จะเป็นใหญ่ ว่าเงนินเธอเราก็จะบริหารราชการเธอเป็นยิ่งใหญ่กันว่าเงน้นเถอปรึกษากันในกรณีอย่างเงี้ยที่สุดจริงๆก็อาชาศตูก็เชื่อตอนนั้นเป็นราชกุมารแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งใช่ไหมที่ว่าพกมีดเข้าไปนะั่นแหละเข้าไปเฝ้าพ่อแล้วก็ทําการที่จะไปฆ่าแต่ผลปรากฏว่าตอนนั้นนั่นก็ถูกจับได้เพราจพระถูกจับได้ปุ๊บพ่อก็ถามว่าทําไมก็บอกจะฆ่ า, าทําไมถึงอยากฆ่าคืออยากจะเป็นพระยาดิน บอกเอาอยากเป็นพระเจ้าเป็นดินทํำไมไม่บอกลูกเพื่อความรักลูกไงก็เลยให้ลูกนั่นแหละว่าราชาการว่างั้นเถอะสำเร็จราชาการแทนบเบ็ดเสร็จพระเจ้าชาัยตูก็ไปบอกบอกพระเทวทัตว่านี่อาจารย์พ่อเนระรักรักผมมากเห็นไหมผมน่ยเกือบฆ่าพ่อไปแล้วว่างั้นเกือบจะฆ่าพ่อไปแล้วแท้จริงพ่อรักมากตอนนี้พ่อให้ว่าราชาการแผ่นดินแทนแล้ว พ ร, ททงงพระเทวทัตว่าไงพระเทวทั์ยุส่งอีกนี่เป็นแผนการโอ้โหเนี่ยบอกวกคุณเป็นเด็กกว่างั้นคุณไม่รู้จากหรอกว่าพระเจ้าพิมพิสารเรื่องนี้ก็ดังไปแล้วเนี่ยกว่างั้นเดอเจ้าเล่กว่างั้นเอาละสิแ่เนียฉะนั้นกรณีอย่างเนี้ยเรื่องดังขนาดนี้เอาไว้ไม่ได้แล้วต้องวางแผนจัดการแล้วตอนนี้แหละพระเจ้าชาติตูก็เลยทาไงละจับจับพ่อขังคุกใช่ไหมครับ าจากพ่อขังคุกพ่อขังเบีดเศษที่สุดจริงๆก็เอาตอนนั้นก็พระเจ้าพระมาเหศรีของพระเจ้าพิมพิสารก็เอาอาหารไปให้เรื่อยแล้วก็ถูกพ่อข่าวนี้รั่วก็เลยไม่ให้อาหารเข้าไปแล้วต่อมาก็ทาอาหารไปตามตัวนั่นแหละให้ไปเลีย ก, กินนั่นแหละแล้วต่อมาก็หยุดไม่ให้เข้าไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปเยี่ยมเลยท่านก็อาศัยจากการอะไรดูไปที่เขาคิชกู ดูที่จงกรมของพระสามมาสัมพุทธเจ้าที่พระเจ้าเสด็จจงกรมไม่เห็นเนี่ยนะท่านอาจารย์อย่าหาพระพทธเจ้าไม่ช่วยนะพระเจ้าเสด็จจงกรมมาเพื่อจะอนุเคราะห์พระเจ้าพิมพ์สารนั่นแหละพระเจ้าพิมพ์สารก็ได้ดูไงพอได้ดูก็เจริญพุท ธ, ธานุสติแล้วก็เป็นปัจจัยการเข้าพระรสมมาบัติเพราะท่านเป็นพระโสดาบันก็อิ่มด้วยปิติอย่างนั่นแหละเดินจงกรมอย่างนั่นแหละอยู่ต่อมาพระเจ้าอาชาตูกรถามบอกว่าตายยังบอกยังหอกงั้นอาหมาดบอก่ยังอาอทาไมล่ะบอก เดินจงกรมได้อยู่ดังนั้นก็เลยให้ช่างการะบบมาเข้าไปว่าทั้งนั้นเดินได้ก็ตัดฝ่าเท้าเสียจะได้ไม่ต้องเดินว่างั้นก็พอเข้าไปในชายช่างการระบบเข้าไปพระเจ้าพิพสารเห็นอย่างนั้นละชื่นใจอะนึกว่าพ่อนึกว่าลูกกับเนื้อกับตัวแล้วตนเองหนวดเข่าโครงบอกโอ้นึกว่าลูกกับเนื้อกับตัวแล้วว่าจะให้ช่างการระบบมาตัดมาโกนหนวดโกนอะไรให้ว่างั้นพอช่างการระบบกาไปรายงานบอกไม่ใช่หรอก พระเจ้าเป็นดินให้มาตัดฝ่าเท้าพระเจ้าเป็นดินว่างั้นท่านว่างั้นไม่อยากแล้วท่านจะทํำยังไงบาปจะเกิดกับท่านหรือก็ไปถามว่าท่านจะทําตามคําสั่งใครดีเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารก็บอกจงทําตามคําสั่งของพระเจ้าเป็นดินเถอะแล้วก็บอกแล้วแล้วแล้วผมจะบาปไหมทํานองอย่างนี้นะครับว่าในชั้นกรรมาบที่จะบาปไหมถ้าไปตัดฝ่าตัดหนังเท้าท่านเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารก็บอกบาปไม่เกิดกับผู้ทําหรอก เพราะไม่ได้ทําด้วยเจตนาจะไปฆ่าทําตามพระรับสั่งของพระราชางั้นแต่นี้นายช่างกับระบบก็ตัดนะครับไอ้ตอนนี้จากที่มีปีตินี่แหละตัดตัดหนังเท้านนี้ยังพอทนไหวนะตอนตัดหนังเท้าเนี่ยไอ้ตอนที่ทนไม่ไหวตรงไหนรู้ไหยตัดเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปย่างที่เตาใช้ไม้ตะเคียนเนี่ยไม้ตะเคียนเนี่ยไอ้ไม้ตะเคียนใส่กับเตาแล้วก็จุดไฟแล้วก็เอาเอาเอ า, เอาขา ทั้งสองข้างไปไปวางไว้ข้างบนเตาพอไฟไหม้ในญาท่านบอกว่าจากปีติของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ะพอถูกไฟไหม้เนื้ออย่างนั้นแบบที่ขาแล้วเนี่ยเหี่ยวเหี่ยวเหมือนกับผลไม้ที่ถูกถูกไฟแล้วร้อนเนี่ยท่านก็ร้องนะครับร้องร้ององนั้นพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมีการทรมานก่อนแล้วต่อมาท่านแต่ท่านมีสุขตินะ ท่านตายไปแล้วไปเกิดเป็นชนะวสภายักษ์ชนะวสภายักษ์นี่อยู่ในชั้นจาตุมแต่เป็นตระกูลเทวดาครับเป็นตระกูลเทวดาเป็นลูกน้องของท้าวเวสวุวรเป็นพระโสดาบันนี่ตายคือสอนอนคตนะแต่ก็ไม่ลงใบภูมิเพราะอะไรไหมเป็นพระโสดาบันปิดอใบภูมิท่านเป็นเทวดานั่นเองเออถามว่ากรรมอะไรเออเนี่ย รรรรกรรมอะไรนี่ผมลากยาวเรื่องประวัติตรงนี้นิดนึงเนี่ยกรรมอะไรกรรมก็คือท่านสวมรองเท้าเข้าไปที่พุทธเจดีที่อุโรโบสถเป็นต้นไม่เคารพพระรัตนตรยัย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันี้ท่านอาจารย์ถามว่ากรรมอะไรกัที่กรรมเนี่ยไม่เคารพพระพุทธเจ้าไม่เคารพสวมรองเท้าเข้าไปในสถานที่พุทธเจดีที่อุโบสถที่อุโบสถนี่เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้านะครับไปสวมรองเท้าเข้าไปไม่บางคนถามว่ากรรมอันนี้อะไรเนี่ยเห็นไหมว่าเอกุศลกรรมก็คืออากุศลกรรมนะครับกุศลกรรมก็คือกุศลกรรมนะครับแยกกันนะเอากุศลกรรมก็ให้ผลเป็นทุกข์กุศลกรรมก็ให้ผลเป็นสุข กุศลกรรมก็ตามเบียดเบียนกระแสชีวิตกุศลกรรมก็ตามส่งเสริมกระแสชีวิตแต่ถ้าตรงนี้ก็คือถ้าถามว่าตรงนี้ตรงนี้ทยอมถามเราก็บอกว่านี่แเจตนากรรมตรงนี้นี่แหละว่า ง, งั้นเจตนากรรมที่เกี่ยวกับในกรณีที่ไม่เคารพนี่แหละว่า ง, งั้นโด้วยไม่เคารพนี่แหละไม่เคารพพระพุทธเจ้าเพราะการสวรมรองเท้าการกั้นล่ม นะครับเข้าไปในสถานที่พระพุทธเจ้าในถือไม่เคารพใช่ไหมใไม่เคารพนั้นการไม่เคารพพุทธเจ้าเนี่ยโทษมันหนักอย่างนี้แหละว่างั้นแต่ถ้าเคารพก็ได้บุญได้บุญมากอัประเด็นต่อมาก็เชื่อไหมเชื่อไหมว่าใส่รองเท้าเข้าไปในพุทธพุทธเจดียอย่างนี้แล้วกรรมจะถูกตัดฝ่าเท้า เออมันกรรมไม่ใช่จะถูกตัดฝ่าเท้าอย่างเดียวนะเออไม่ใช่จะเกี่ยวกับต้องมาโดนถูกกรรมมันไม่ใช่จะออกแบบมาเป๊ะว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินต้องชื่อว่าพิมพิศาแล้วถูกกรีดฝ่าเท้านะะมันหลายอย่างนะไปไปมาก็โดนตัดหรือไปเหยียบตอเหยียดหนามจนเท้าขาดมันก็มีมุมมุมนี้ทั้งนั้นแหละครับเออมีพระเถระรูปหนึ่งนะจะเล่าให้ฟังนะท่านเดินจงกรมนะครับเดินเดิ น, เ ด, นเดินไปในะี่ยกำหนดไม่เห็นครับไปเหยียบเข้าไปในไอที่ที่เขาดักนะะ เ อ, อที่เขาดักสัตว์ไ อ, อ้เขาเรียกอะไรนะที่ทําเป็นหลุมเขาไว้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะนั่นแหละพอเหยียบเข้าไปก็ปึ๊กเข้าไปเลยครับทะลุเลยครับทั้งสองขาท่านก็หักหักไอ้ไม้ที่เขาเขานนเนี่ยนะแล้วท่านก็เดินเนี่ยพยายามเดินแต่ท่านได้บรรลุครับแต่ตายไปแล้วมรณนะพระไอ้ไ อ, อ, อ, อ, อ้ปรินิพานไปแล้วท่านเดินเดินอย่างนั้นเลย เนี่ยนี่ทะลุไอ้นี่กลุ่มกลุ่มลักษณะนี้ก็คือกลุ่มกรรมกรรมอย่างนี้ทั้งนั้นเลยครับไอ้ตรงนี้อ่ะถ้าพูดตรงนี้ก็จะได้เห็นจะได้เห็นมุมอีกมุมหนึ่งว่าพระเจ้าชาติสตูที่บอกว่าทําไมพระเจ้าชาติตูจึงมีความรักในพระเจ้ามากหนึ่งตรงนี้แหละหลังจากวันนั้นอ่ะวันที่พระเจ้าพิมพิสารสวรรคต ที่ว่าอาภัยพัดราชกุมารก็อุเกิดขึ้นมาเนี่ยแหละอมาตย์อมาตของพระเจ้าชาติศูนย์ก็ไปได้จะจ ะ, จะทูนเรื่องอะไรก่อนก็เลยทุนเรื่องลูกก่อนก็ดีใจอะ่ะพอดีใจเบีเสร็จแกก็ถามพระมารดาว่าตอนที่ตอนที่ท่านเกิดมาใหม่ๆเนี่ยพระเจ้าพิมสารคือเสิ็จพ่อเนี่รักรักมากไหยแม่ก็ร้องไห้แล้วก็รายงานบอกบอกว่ารัก อย่างรักมากแต่ตอนที่ตอนที่แพ้คันเนี่ยใช้ต้องกินเลือดเนี่ยกินเลือดของของของพ่อจึงหายอะ่ะจึงหายการแพ้ท้องอแล้วต่อมาครั้งที่สองที่เป็นฝีนั่นแหละเพราะ ง, งั้นพระราชบิดาก็ต้องใช้ออมที่ที่ททททปากในอมแล้วกัดดูดดูดก็ไม่ถ้าเอาออกจากปากก็จะปวดก็ร้องก็เลยต้องอมอีอมไอ้หน่องแล้วก็ต้องดูดกินเข้าไปกินเข้าไป พอ เ, เอามือออกจากปากก็ลูกก็ปวดว่างั้นพอพูดอย่างนั้นก็ให้ไปไปรีบปล่อยพ่อออกมาว่างั้นอหมานก็ทูลบอกว่าพระราชาสวรรค์แล้วเนี่ยเป็นลมเลยสลบเลยตั้งแต่นั้นก็นอนไม่ได้ครับท่านนอนไม่ได้เลยนะต้องนั่งตลอดเวลาเลยจนอุทานในใจว่าโอ้โห و, เราทํากรรมหนักก็ไม่กล้าไปเ้ารพพระเจ้าไม่กล้าไปเคารพพระเจ้าประเด็นตรงเนี้ย ถ้าถามบอกว่าทําไมพระพุทธเจ้าไม่ไปห้ามที่ท่านญาณว่ามาเนี่ยเออท่านเรื่องของกรรมเนี่ยเออต้องต้องเข้าใจนะเรื่องกรรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางทีในพระพุทธเจ้ารู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นรู้แต่คําว่ากฎกฎธรรมชาติในกฎของกรรมเนี่ยเออมันหนียังไงมันก็ไม่พ้นไงหนียังไงก็ไม่พ้นเหมือนพระโมคคัลลานะอะไรละหนียังไงก็ไม่พ้นที่สุดจริงๆมัน จะหนีไปบนฟ้าบนดินไปหนะ้าที่ไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวม็ตามเล่นงานเออนี่ความคิดก็เป็นอย่างนั้นแหละก็เข้าใจตรงนั้นไอ้ที่ทประเด็นประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไงท่านอาจารย์ประเด็นมันอยู่ตรงว่าเออไอ้เหตุกับผลมันสมดุลกันนะเระเอิร์นเรา ม, ามองตอนที่ท่านทำดีในปัจจุบันไง แต่เราไม่มีอตีตังสยานที่ตามดูกระแสชีวิตของท่านแน่ดีด้วยท่านทําอะไรมานี่แหละฉะนั้นถ้ามาดูแต่ผลอย่างเดียวไม่สาวทึงเหตุเนี่ยบางทีเราก็จะพูดอย่างเงี้ยเหมือนว่าสมมุติว่าท่านอาจารย์เป็นอะไรขึ้นมาญาติยอมก็ไปร้องไห้โอ้โหไม่น่าเลยบวชมาทั้งชีวิตไม่น่าไปอย่างเงี้ยนะ น, นี่เขาก็ไม่รู้ไงไ ม, ไม่ใช่สมมุติอย่างนี้ไง แต่เขาไม่รู้ใช่ไหมผมจะเล่าเรื่องหนึ่งดีกว่านะเล่าให้ท่านมาหาฟังด้วยนะมีอุบาสิกาท่านหนึ่งนะ เ, เป็นพระนาคาแล้วมีมี ม, ม, มีญญาด้วยหวังงั้นเถอะแล้วก็เก่งที่สุดก็คือสามารถจนพระลือชื่อกันเลยว่านางสามารถที่จะถวายอาหารที่สปายา ต, ต่อการปฏิบัติแล้วได้บรรลุได้หวังงั้นพรธเจ้าก็ให้ภิกษุเนี่ย สามสิบรูปไปนาะที่ตรงนี้นางที่เป็นอุบาสิกาก็อุปถากทั้งภาษาและพระสามสิบรูปเนี่ยได้บรรลุหมดเลยนะครับหนึ่งที่อยู่สปายะสอนอาหารสปายะสามธรรมะบอกงั้นสปายะและแปลกถ้าพลาดเนี่ยปรารถนาอะไรนางเอามาให้เลยเพราะนางรู้ว่าละจิตภิกษุได้ยินอย่างนั้นใช่ไหมได้ยินอย่างนั้นว่านางเก่งอย่างนั้นอีกรูปหนึ่งอะ่ะก็นึกในใจ เอาแล้เดี๋ยวเราจะไปแล้วก็ไปแล้วก็คิดแต่นี้แม้อยากจะกินอะไรเนี่ยตอนเช้านางก็ให้คนใช้ค น, คนเอามาถวายจริงๆงด้วยเออพอคิดไปคิดมาเนี่ยท่านก็เริ่มว่าเริ่มละอายสออิแสดงว่านางรู้ความคิดของเราเนะเนี่ยว่า ง, งั้นและอย่าง้ารูปนี้เกิดไปคิดไม่ดีกับโยมคนนี้เขาเกิดไปชอบเนี่ยนะครับนะอย่างนั้นเลยจะจะหนีออไปไปมา พระเจ้าก็ให้กลับไปอยู่ใหม่นี่นางก็ น, นุเคราะห์พอนุเคราะห์ไปเนี่ยท่านรูปเนี้ได้บรรลุแล้วระลึกชาติได้นะครับพอระลึกชาติว่าอี๋เราเป็นอะไรกับ น, นางนี้คงจะมีความสัมพันธ์กันมามากว่า ง, งั้นก็ระลึกอัตภาพในพบก่อนๆระลึกเ ล, ลื่ไปเก้าสิบชาติกนะันประมาณเก้สบสชาติประมาณนั้นนะโอ้โหพระรีบเก็บ รีบเก็บอัฐบริขารจะหนีหนีทันทีเลยบอกโยมไม่ไหวแล้วทำไมรู้ไหมครับเคยตัดศรีรษะท่านมา92้าสิบสองอัตภาพผู้หญิงคนนี้นี่ไงนี่มากราบเราอยู่ดีๆนี่แหละนี่ต้องระวังไว้ น, ะ ห, นหน้าสหล น, นี่นะเราไม่รู้ไม่ใช่หรอที่ว่ายอมโอ้ยอมผู้หญิงเข้าวัดดีได้เกินเนี่ยเพราะเราไม่รู้อดี t ี่แหละ อย่างพระที่ท่านเก็บอัฐบริขารวอยู่ไม่ไหวแล้วเข้าใจไหมว่านี่มาดูแลเราอย่างดีมากราบแล้วอย่างดีที่ไหนได้ตัดศรีรษะเราเนะี่ยว่าประตูสลายเราไม่ต้องเก้าสิบกดก่ออัฐภาพว่างั้นนางก็เลยบอกบอกว่าอย่าพึ่งไปให้ระลึกต่อไปอีกพระเถลาร์นี่ก็ระลึกระลึกต่อไปอ๋อนางเคยเคยให้ชีวิตก็เคยนี่เนี่ยเป็นต้นเห็นไหมว่านางสารวะที่มันน่ากลัวอย่างนี้แหละ ดังนั้นเวลามีคนมาไหว้ป๊อบเนี่ยให้นึกในใจยังไงมือที่ไหว้เรานี่คงจับดาบตัดศีรษะเรามามิใช่น้อยไอ้คิดอย่างนี้ไอคีคิดอย่างนี้จะได้สังเวชยานนะเข้าใจอย่างพอจะสว่างได้อยังเดี๋ยวนี้ยชัดเจนนะอ๋อได้ยากครับก็มีปัญหาต่อเนื่องจากพอาจารย์ประภรพรปัญญาลักษณ์ครับอาจารย์ คือบุคคลที่มีคนต่อศาสนาอีกท่านนึ่งที่รู้สึว่าจะอาทัศก็คือพระเจ้าโศมหาราชท่านที่ได้กายจิดพระโมคคิลิบุตรติสตาเนล่าเป็นพระมหาราชหรือว่าเป็นกัญยาณมินรั้งคุณงานความดีมากแต่ว่าสุดท้ายพระองค์ไม่เหลืออะไรมีแค่สมองซึ่งผลเอาไว้สมอย่างนี้นะครับเป็นเพราะปุพกรรมอะไรครับแล้วก็เมื่อองค์สวรรคตแล้วไปเกิดที่ไหนอย่างไรขออนุญากประกาศ โอ้ตรงนี้ต้องดูประวัติของกระเจ้า์โศกเนี่ยจริงๆเล่ามันยาวนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมกำลังคนวณเวลาอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามสรุปประเด็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่อยากเล่ า, ลายาวเยอะเพราะมันใช้เวลาเยอะคือคือขอเล่าอาดีตนิดนึดนงกษัตริยโศกมหาราชเนี่ยนะครับคือท่านเป็นในอดีตมีท่านเป็นพ่ออท่านเป็น เ, เป็นพี่น้องกันสามคนนะพี่คนโตคนกลางกับคนเล็ก เขาเป็นชังคะเออเป็นเป็นเป็นพ่อค้าน้ําผึ้งขายขายขายน้ําผึ้งนะครเป็นร้านเปิดร้านขายน้ําผึ้งนะครับทีนี้วันวันหนึ่งก็มีพระพระปัจเจ้าพรพุทธเจ้านะครับท่านท่านท่านต้องการน้ําผึ้งท่านก็เหาะมานะครับเหาะมาแล้วก็มามาม า, ม า, มาลงเราเดินบิณาบาตก็มีมีอุบาสิกาท่านหนึ่ง มาถึงก็ถามพ่อทแล้วถามเนี่ยถามพระท่านเนี่ยแหละว่าพระคุณเจ้าประสงค์อะไรพระท่านก็บอกว่าปรารถนาปรารถนาจะไปบินบาบาน้ำผึ้งอย่างนั้นนางก็เลยชี้บอกว่าเนี่ยไปตรงนี้แหละมีร้านขายน้ำผึ้งอยู่บอกพระทิบอกบอกพระอย่างนั้นแล้วนางก็ประนมมือบอกได้จิตเลื่อมใสและนางก็คิดในใจนะว่า ว่าถ้าไม่ได้นางก็จะไปหาไปหาเงินไปซื้อถ้าพระท่านไม่ได้เนี่ยพระท่านก็เดินเดินไปก็ไปเจอนี่แหละอดีตนะอดีตของพระพระยาวโศกนี่แหละแต่ท่านอยู่คนเดียวพี่พี่น้องอีกสองคนน่ยไม่อยู่ไปตุละแต่อร้านค้านี่มันลงทุนลงทุนร่วมกันครับก็คิดในใจว่าเออพระท่านมาต้องการน้ำผึ้งก็นึกในใจว่าเอาไม่เป็นไรล็อก เราจะเอาถวายให้เต็มบาทพระนั่นแหละแต่ว่าถ้าหากว่าพี่น้องเรากลับมาเนี่ยถ้ายังไงเราก็จะคืนเงินว่างั้นเถอะถ้าท่านนั้นไม่ไม่ศรัทธาก็เลยบรรจงนะครับบรรจงเอาน้ำผึ้งใส่บาทพระ จ, จนเต็มนะครับพอพระได้เต็มบ็ดเสร็จแล้วท่านก็ให้พรว่างั้นให้พรตั้งความปรารถนาท่านก็ให้พรแล้วท่านก็เดินกลับ พอเดินกลับมาเนี่ยนางนี่ก็เห็นพอเห็นเบ็ดเสร็จก็ก็ก็ถามพระถามถามพระท่านว่าถามพ่อปเจกว่าพระคุณเจ้าว่าพ่อค้าเนี่ยท่านถวายเนี่ยท่านตั้งปรารถนาอะไรบอกว่าปรารถนาเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะตั้งตั้งจิตปรารถนาเป็นใหญ่ในแผ่นดินนางก็บอกงั้นให้พระคุณเจ้าคอยอยู่ก่อนเพราะงั้นนางก็รีบไปซัก ซักผ้าอย่างดีนั่นอย่างดีเอามาถวายพระเทวราเหมือนกันแล้วนางก็เลยปรารถนาบอเออถ้าท่านพวกนี้เป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยเออข้านขอไป ข, ขอเป็นพระมาเหติหีนะต้องม่อยากเป็นดินตรงนี้นะอย่างนี้เปต้นนเล่นอันนี้ก็เรียกว่าวางแผนซับซ้อนเหลือเกินเนี่ยนะนี่นี่ผลปรากฏท่านนี้พอต่อมาต่อมาไอพี่สองพี่น้องสองคนนี่กลับมาพอกลับมาเบียเศษพอกลับมาเบียเศจก็ ก็เล่าให้พี่เนาะให้พี่กับน้องไอ้ฟังเนี่ยพ่อบอกไอ้พอบอกไปเบสเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาไม่มีศรัทธาอีกคนนึงก็บอกว่าสงสัยว่างั้นสงสัยเป็นจันทานมั้งเนี่ยเป็นจันทานปลอมปลอมกายมาหรือเปล่า บอกสงสัยเป็นจันททานาว่าก็บอกห้ามอย่าพูดอย่างนั้นเพราะว่าท่านเห็นเล็ิเห็นหาะไปด้วยใช่ไหมล่ะก็พยายามห้ามส่วนอีกพี่น้องอีกคนพี่อีกคนหนึ่งก็บอกว่าสงสัยเอาน้ําพึ่งเนี่ยไปทิ้งไว้น้่นหรืมั้งว่าเลยฝั่งทะเลนูน่นหรอมั้งคงเอาน้ําพึ่งไปเททิ้งอ่ะพูดประชดไงก็โอ้โหตกใจมากว่าทําไมพี่น้องตอนเองเนี่ยไม่มีศรัทธาแล้วเป็นแล้วก็พูดตําหนิ ก็พยายามโอ้โลมปฏิโลมอีกหลายวันนะจนในส่วนจริงอะ่ะพี่น้องตอนเองก็เกิดศรัทธานี่นะครับเนี่ยนะหนึ่งที่แรกไม่ศรัทธาแล้วปทุสร้ายด้วยวาจาแล้วก็เป็นบาปอีกคนนึงบอกสงสัยเอาน้ําพึ่งไปทิ้งโน่นแหละว่า ง, งั้นเนี่ยเลยฝังทะเลไปโน่นแหละไปทิ้งทิ้งอยู่โน่นแหละในเกาะเล็กๆโน่นแหละว่า ง, งั้นส่วนอีกท่านหนึ่งก็บอกสงสัยจันทานบวชเป็นพระมาเนี่นอนเหรัญมรอย่างเงี้ย น, นะผลปรากฏแตสงสารแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดมาก็ยุคนี่แหละหลังจากพุทธบริสุิพานแล้ว300ปีนี่แหละ คนที่ถวายน้ำผึ้งก็มาเกิดเป็นพระเจ้าโสมหาราชนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะอีกท่านหนึ่งก็มาเกิดเป็นนิโคสัมมานีนิโคสัมมนนที่ทำให้พระเจ้าโสดทธานี่แหละส่วนอีกท่านหนึ่งก็มาเกิดเป็นพระเจ้าเทวานามบยาดิสานู่นจากการที่บอกทุงสสยเอาน้ำผึ้งไปเทไว้ในเกาะเล็กๆฝั่งฝากทะเลนู้นไปได้เป็นเจ้าดินเกาะเล็กๆเขาใหยัง สีลังกาทีนี้นี่ไปเชื่อมโยงกันยังไงแต่เนี้ยส่วนนางนั้นก็มาเป็นพระเมสีฉะนั้นพระเจ้าโศกเนี่ยจัดว่าเป็นส่วนพระเจ้าโศกนี่จัดว่าเป็นอะไรรู้ไหมเป็นจูรจักรพัทนะครับไม่ใช่เป็นพระเจ้าจักรพัทระดับใหญ่เป็นเป็นจูระจักรพัทท่านมีฤทธ์บางอย่างนะครับที่แรกจริงๆเป็นเอ่อเป็นจานทาสกรฎาที่บอกว่า เป็นผู้เหีียมโหดนั่นแหละว่า ง, งั้นเถอะแล้วก็ฆ่าพี่น้องร่วมท้องตายหมดน่ะว่า ง, งั้นที่ไปลบที่งกระลิงฆ่าแล้วก็เลือดจนท่วมไอ้ข้อเท้าม้าที่วิ่งไปคนตายไม่รู้กี่แสนนั่นแหละต่อมาท่านก็สำเวจสลดใจแล้วก็กลับมาที่ว่าปกครองอินเดียได้แหละทีนี้ทีนี้ถ้าถามว่าถ้าถามว่าท่านทํากรรมมาเยอะไหมเยอะทําบาปมาเยอะมาก แล้วมีอยู่วันหนึ่งที่ท่านอยู่บนราชวังก็เห็นนิโคสัมมเนนเนี่ยเดินเดินบิณนบาตนิโคสัมมเนนเนี่ยเป็นเป็นลูกของหนีหนีหนีตอนที่เกิดภัยที่พระเจ้าโศกนี่แหละเป็นญาติญาติกันนี่แหละแล้วก็เป็นลูกของพระมเหสีอีกท่านหนึ่งที่หนีไปอยู่กับจันทานแล้วไปโตจากดันจันทานมาเลยนิโคสัมมเนนเนี่ยนี่แหละ เนี่ยโทษที่ปากที่ไปบอกว่านี้สงสัยจันทานหนีมาบวชมั้งนี่แหละก็ที่สนจริงก็ไปอยู่ในตระกูลจันทานนั่นแหละแต่ห น, ออกกนะ น, น, นีออกจากวังไปนมารดาหนีออกจากวังไปไปอาศัยอยู่ในใ น, ในกลุ่มจันทานและที่ต่อมาก็บวชเป็นสมณี น, นแล้วเป็นบรรลุปเป็นพระอรหั น, นด้วยแล้วต่อมาก็นี่แ ห, ล ะ, ะ ห, ะหและพระเจ้าโสก็เห็นดังนั้นพระเจ้าโสเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ใช่ไหมแล้วพระเจ้าโสก็เห็นก็เกิดเอสัทธาเห็นปฏิปทาการเดินเป็นต้นอะไรเงี้ยก็เลยนิมนต์เข้ามาในพระราชวางัง พอนิมนต์เข้ามาเนี่ยพอเห็นเบดเสร็จเนี่ยท่านก็สังเกตดูเอ๊คอยดูว่าเนนนี้จะนั่งตรงไหนเป็นเนนที่อายุมากนะไม่ใช่เป็นเนนอายุน้อยๆ น, นะนี่โคดส ม, มเณนรเนี่ยเดินเดินเดินมาสมมเณร น, นี้เดินปุ๊บป๊๊ป๊ ป, ป๊ไปเนี่ยไปนั่งที่บัลลังก์ของพระยาโศกเลยฮะโอ้พระยาโศกศรัทธาใหญ่เลยแล้วท่านแสดงเรื่องอัปม า, าทธรรม คือความไม่ไม่ให้ประมาทเป็นต้นแล้วก็เกิดเลื่อมใสเนี่ยเรื่องมายาวตรงเนี้นะในที่ส่วนจริงก็สามารถกลับใจพระเจ้าโศกว่าศรัทธาในพุทธศาสนาได้แล้วอยู่ต่อมาพระเจ้าโศกก็เนี่ยทํานบัลรุงพุทธศาสนาอย่างมโหฬารอย่างที่ว่าก็ไปตรงกับที่ท่านอาจารย์ที่บอกว่าบั้นปลายชีวิตนะครับเออเล่าอยู่ตอนหนึ่งก็คือพระเจ้าโศกเนี่ยมีความศรัทธาในพระเจ้ามากเอออยากเขียนพระเจ้านะครับ ท่านมีโซ่ทอ ง, ทองเนี่ยท่านอาธิษฐานท่านอาธิษฐานเน่ยโยนโซ่ทองเนี่ยลงในทะเลเนะแล้วก็ดึงขึ้นมาติดกาลนาคขลาชนะครับติดกาลและ น, น, นะขึ้นนาคนะนั้นพยายนาคมาได้ท่านก็เอามามาสร้างที่บูชาเขาไว้แล้วท่านก็อธิษฐานขอร้องให้กาลนาคขลาชเนี่ยจงแปลงร่างเป็นพระพุทธเจ้าว่า ง, งั้นเธอขอให้ตนเองได้ชมหน่อยเพราะตนเองเป็นคนมีบุญน้อย ไม่มีโอกาสได้ได้เย็นโยนโฉมหรือได้ได้มองพร ะ, พ ร, ะรูปของพระพุทธเจ้าที่ประดับด้วยมหาภูริสลักนาสามสสองประการและนุพยัญชนะแปดสิบนีก า, า, าลนาคราชเห็นพระเจ้าโศกศรัทธาบูชาด้วยของหอมดอกไม้เป็นต้นเหล่านี้ก็เลยแปลงกายเป็นพระพุทธเจ้าหงนันนี่นี่คัมภีร์หนึ่งนะเออพอแปลงกายเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าโศกมหาราชก็มองพระรูปของพระพุทธเจ้าเนี่ยเ็วันเจ็คืนไม่กระพิบพระเนตร ซึ่งไม่มีใครทำได้ถ้าบุยกเว้นคนมีบุญนะคืนนี้ท่านอาจารย์ก็ลองไปเนี่ยที่เจดีก็ได้หรือไปที่สาราวโนทยานตอน เ, ย, นเนย็นเอาแค่ชั่วโมงเดียวก็ไม่กระพริบตานี่ได้ไหมเนี่ ย, ย, ยต้องศรัทธาไว้ก็ยืนมองเจริญพุทธคุณอยู่ได้ปีติพวกนั้นทีนี้บันปลายชีวิตเนี่ยพระเจ้าโศกเนี่ยทำบุญนี่แหละมีทรัพย์เท่าไหร่เก้าสิบกโกดอะไรทังที่ว่าไวน้นะว่า สาโศกนี่แป0หมี่พันต้นวัด8 4, ปดหมืสี่พันวัดเป็นต้นเหล่าเนี้ยแล้วก็เจดี8ป0 0 0สี่พันเจดีสร้างสร้างในที่สุดจริงๆก็บ้านปลายชีวิตบอกว่าพระเจ้าโศกนี่มีลูกก็คือพระสังพระหมิน ท, ท่าเถระและกนางสังกมิตาตอนนั้นน่ะพระเจ้าโศกอยากจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าพระเถราในยุคนั้นก็บอกว่าถ้าอยากจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าต้องมีลูกหญิงหรือก็ได้ลูกชายก็ได้บวชท่านก็ ให้ลูกชายและลูกสาวนี่เราบวชต่อมาลูกชายก็เป็นพระอรหันต์ชื่อเป็นพระมหินท่าเทละลูกสาวเป็นภิกษุณีก็เป็นนางสังขมิตาเถรีก็เป็นพระอรหันต์ทั้งคู่และนางสังขมิตาเถรีนี่เออพระมหินท่าเทา ร, ราทนี่แหละที่ไปเผยแผ่ศาสนาที่ลังกาใช่ไหมครับแล้วก็ที่ไปก็มีสมุนสมณเณรไปด้วยนั่นแหละมีตอนที่ไปที่ลังกาไปเผยแผ่ที่ลังกานี่แหละสามารถไป ประกาศคําสอนในลังกาเนี่คนได้บรรลุเป็นพระอรหันเยอะมากแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าพระมินท่าเทราเนี่ยก็บอกกับพระเจ้าเทวานามปิยะดิสาบอกว่าอาตมาเนี่ยมีความบอกว่าไม่ว่าเวในทํามรงคทั้งทั้งดิเนพระอรหันนี่นะจากพระผู้มีภาคเจ้ามานานแล้วพระเจ้าเทวานามปิยะดิสาก็ถามบอกว่าทําไมพระคุณเจ้าพูดอย่างนั้นว่างั้นก็ทํานองว่าหนึ่งจากที่ประสูุม จากที่ตัดสรู้จากที่แสดงพระธรรมาจากจากที่ปริญญา น, นั่นเองไม่ได้มีโอกาสไปเฝ้าก็เลยเอาทำไงต่อไปก็จะมีอาการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนั่นแหละไปๆมาก็เลยมีการอัญเชิญก็คือว่าให้สุมนสัมเนธเนี่ยมาด้ฤทธิ์นะครับมาด้วยฤทธิ์มาขอพระบรมสารีริกธาตุจากพระเจ้าโศกแล้วก็ให้ไปขอที่ดาวดึงด้วยไปขอกระเท้าส ก, กัด ยิงสุมวมสามเณรก็ไปได้ฤทธิเข้าเจตุทะชานอาเจตุทะชานเบญฐานก็ไปได้พิญญาเนี่นยแหละไปที่ที่ดาวดึงไปถึงก็ไปไปไปในเชิงตําหนิตําหนิเทา้าสกาบอกดูทีเนี่ยว่างั้นว่าเทา้าสกาเนี่กยกะไรอยู่ปล่อยให้อตมาไปตกประกรรมลําบากกันที่ลังกาเนี่ยไปเผยแผ่พระศาสนายอมไม่เคยดูดำดูดีเลยว่างั้นเทา้าสกาก็บอกวู๊ยทำไม พระ่อคนเจ้าพูดอย่างนั้นนี่ที่มาต้องการอะไรก็ให้พูดมาสำเนียงก็เลยบอกต้องการพระราคขวัญพระธาตุเหมือที่เป็นพระราคขันนั่นนะของพระผู้มีภาคเจ้าเท้าสกาก็ถวายมาท่านก็บาดรับมาแล้วก็ไปรับพระบรมาสารเรียกธาตุหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทขนาดใหญ่เลยจากจากพระเจ้าโศกนั่นแหละแล้วก็กลับมาที่รังกาทวีปอย่างนี้เป็นต้นนี่ประเด็นว่าในบ้านปายสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าโศกสร้างบุญญาพิธิการขนาดนั้นเนี่ยต่อมาเนี่ย ก็ในทํานองถูกถูกปฏิวัติเงียบถูกปฏิวัติเงียบแล้วครับที่ว่าผลมาขามป้อมใช่ไหมที่ท่านอาจารย์ถามมาเนี่ยถูกปฏิวัติเงียบก็คือเขากันไม่ให้มาเกี่ยวข้องในการที่อนุมัติงบ ป, ประมาณแล้วก็ให้ไปอยู่กับคนดูแลเหมือนไปละหมาดนั่นแหละคู่ใจนั่นแหละนี่อยู่ต่อมาก็คือว่าเนี่ยบ้านปลายชีวิตเนี่ยท่านก็ตอนนั้นอายุมากแล้วก็ถามว่า นี่ตอนนี้เรายังเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ไหมถามนี่น ะ, ะทหารไก่ชิดก็บอกยังเป็นอยู่อา้าวทาไมเราจึงทําไมนั้นเราทําบุญอย่างเก่าไม่ได้เล่าทําไมเราจัดแจงจัดการราชกิจบ้านเมืองแรงต่างไม่ได้ทั้งนี้แล้วไปไปมาดูที่เนี่ยเราเป็นใหญ่ในแผ่นดินดูซิเนี่ยเราเป็นอโศกมหาราชเกลียงไกร ย, ยิ่งใหญ่ขนาดหนกักว่างั้นเถอะตอนนี้เรามีอํานาจเพียงปกครองผลมะขามป้อมแค่ผลเดียวแค่นี้เองวระมาณั้น แกก็เลยบอกว่าบอกให้ทหารคนสนิทเนี่ยบอกว่าช่วยเอามาขามเนี่ยวางมลาขามป้อมเนี่ยไปให้พระพิจารณาหน่อยไปถวายพระแล้วใครบอกว่าดูทีเนี่ยพระเจ้าโศกที่ยิ่งใหญ่ว่างั้นเธอเครียงไกลทั่วแผ่นดินเนี่ยวางเงื่นเธอเป็นระดับจุลจกักรพัทเนี่ยตอนเนี่ยว่างั้นดูความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสิ่งของสังขารที่ตอนนี้มีอำนาจปกครองเพียงมาขามป้อมผลเดียวนี้เท่านั้นแล้วว่างั้นเนี่ยทหารนี่ก็ไปถวายพระ ถ้าเอาผลมาขามป้อมไปพิจารณาเนี่ยบรรลุกันเยอะเลยครับนี่บรรลุกันเยอะเลยพิจารณาความไม่เที่ยงแท้ของไอ้สังขาร น, นี่แหละของชีวิตนี่แหละเออบรรลุกันเยอะเลยต่อมาท่านก็ตรอมใจนะครับถามว่าตรอมใจไปเสด็จตายแนละ้วท่านไปเกิดเป็นอะไรเป็นเปรตงูเหลือมโอ้โหทําบุญที่ยิ่งใหญ่ได้แค่เนี้แล้วเป็นเปรดงูเหลือมแล้วก็ก็หิวหิวปลามากเอ่อ เป็นนี่ก็ไปที่หนองน้ําไปหนองน้ำเ็เสร็จก็ใช้ใช้หางนะใช้หางหางเกาะต้นไม้ข้างหนึ่งอคอเกาะต้นไม้อีกข้างหนึ่งก็ทําตัวเป็นปลีกเนี่ยแล้วก็วิทยน้ำวิทปื๊ดปื๊ดปื๊ดนี่นะวิทยจะกินปลามันกินไม่ได้ไงวิทเนี่ยพระมหินท่าเทล่าไปโปรดในอย่างนี้นะไปโปรด ไห้ท่านรักษาศีลแล้วก็ไม่ยอมฆ่าสัตว์เง่นตอกมาท่านตายแล้วก็ไปสุคติแล้วก็ไ ป, ปโปรดว่าว่าได้ไปรู้แล้วว่างั้นลูกชายปโปรด อ, อ๋อ๋อเอางี้ดีกว่าเน่ า, เอาอายุของเปรตเนี่ยถ้าหากตามเงื่อนไขเป็นพุธทธันดอนหง เอางี้ดีกว่าว่าพระกัสสป่าสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคนั้นนะออในยุคในยุคก่อนหน้านั้นมีเปรตที่เป็นญาติเขาไม่เหยียบพิมพิสารใช่ไหมครับเนี่ยที่เราประเทศเทศกันอยู่เนี่ยที่บอกว่าทําอาหารถวายสงแล้วก็ไปแอบเอาไปกินเนี่ยของที่เขาถวายสงนี่แหละต่อมาเนี่ยแล้วก็นี่แหละของที่จะถวายสง์ก็ไปแอบกินแอบกินกนี่แหละว่างงั้นเถอเอาของสงมากินโดยไม่รับอนุญาตโดยไปสงยังไม่ได้สละนี่แหละ ว่างั้นเห็นไหมในกรณีกิจกรรมบุญที่ไหนเนี่ยจะมีบาปแทรกอยู่ตรงนั้นแหละครับมันก็จะมีคนทั้งได้บุญและได้บาปไอคนที่ได้บุญไปสุคติบ้างบรรลุมรรคผลนิพพานบ้างไอคนได้บาปกลุ่มเนี้กลุ่มนี้ก็คือเป็นยักษ์ย่อของสงฆ์เยอะหมดเลยตัวเนี้ยอยู่ต่อมาตนเองก็ทุกข์ทรมานตายแล้วเกิดเป็นเปรต น, น, นี่แหละมาสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เข้าไปกราบว่างั้นในทํานองว่าถามว่าตนเองจะพ้นทุกข์เมื่อไหร่ ก็บอกว่าโน้นแหละว่งงางั้นญาติของท่านจะไปเกิดเป็นพระเจ้าเป็นดินว่งงางั้นเป็นพระเจ้าเป็นดินนี่แหละกรณีฟ้ามโคตนี่แหละว่งงางั้นญาติจะอุทิศส่วนกุศลให้อัตภาพท่านจะหมดท่านบุตกับนั่นหมดนี่พุทธันดอนหนึ่งเลยซึ่ ง, งอ๋อเป็นไอ้ น, น, นี่กรณีอย่างนี้ต้องดูว่าบุญกุศลท่านเกือ้อหนุนคือมันอย่างนี้มันมันแล้วแต่กรณีนะเหมือนอย่างนี้ครับเหมือนนางมาริกาเนี่ยไปตกนรกเจวันเงี้ย เห็นไหมเงื่อนไขทั้งๆก็ตกนรกนี่แหละแต่ว่าด้วยเงื่อนไขแป๊บเดียวแค่นี้แหละด้วยอัธยาศัยกุศลให้ผลตัดรอนได้เงี้ยนะนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่บุคคลแต่ถ้ากรณีเนี้เต็มๆเลยนะครับตั้งใจแบบเต็มๆเลยนะเนี่ยอย่างกรณีที่เปรตของพระเจ้าพิมพิาสารเนี่ยเป็นต้นเอาพักกันก่อนนะสิบห้านาทีเดี๋ยวกลับมากันบุคคลอ๋อห่าคนนะครับ เยอะหมดเลยค่าเป็นแสนครับเป็นเรือนแสนที่กระลิงค่ า, า, าคอ๋อในอดีตไม่ได้กล่าวเข้าไว้ในปัจจุบันนี่เห็นชัดเลยท่านค่าเยอะมาก